ปิสังคังสรนังกชามิติสรณะขมณังนิธิตังกล่ามณสการพ่อครูนะครับสมณพุทธิรักษ์นะครับนมสการสมณะสีขมาตรูกรูปเจริญธรรมทุกท่านนะครับ ก็มีโอกาสนะครับวันนี้เป็นวันดี28บดกรกฎาคมนะครับสพาราพอดีพ่อครูได้มาประชุมประจำเดือนนะครับที่ปฐมอโศกแห่งนี้ผมเลยถือโอกาสได้มีโอกาสมาร่วมนะครับฟื้นความรู้สึกของรายการเรียนอิสระตามสำนึกนะครับกับเพื่นน้องอโศกแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็เป็นประเด็นครับประเด็นที่คิดว่าอยากจะเป็นตัวแทนและก็ตัวเองด้วยนะครับเพราะคูครับหลังจากที่กระบวนการในการไปฝึกฝนวิทยายุทธอนอกสถานที่กันมานะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ของคอสชอขึ้นมาเนี่ยครับคุณสมชายนะหรือเรียกว่าคืนความสุขให้กับประชาชนก็บางครั้งหลายคนยังงงนะฮะ อย่างผมเนี่ยก็มาก็เพิ่งจะเริ่มเข้าพิธีกระบวนการนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานั้นมีการแสดงธรรมของพ่อครูนะครับในอีกมิติรูปแบบนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนในเรื่องพุทธชีวศิลป์นะครับในการสอนอีกในหลายๆรูปแบบก็มีการปรับเปลี่ยนไปวันนี้มาอาโศกก็ คล้ายๆว่าเอาแบบอิสระมาเหมือนเดิมะครับถามกันแบบอิสระสระเพื่อให้ผ่อนคลายกันด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเรื่องสำคัญในเรื่องของอทฤษฎี19ข้อในเรื่องของการงานนะครับซุมปะคุ ก, ก็ได้เทศแล้วก็อา ธ, าธิบายไปเยอะแต่หลายคน พลาโอกาสครับที่จะได้รับรู้นะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือก่อนที่จะมีกระบวนการของคส ช, ชเกิดขึ้นเนี่ยเราบอกเราไปฝึกการงานเกิดขึ้นแล้ววันนี้หลายคนก็กลับเข้าสถานที่นะครับเข้าที่ตั้งก็เริ่มกลับมาทำงานบางครั้งก็ยังสับสนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ต้องกลับมาปรับ ปรุงตัวเองใหม่อย่างผมล่าสุดไปเยี่ยมชมรอเชียงใหม่มานะครับเพราะค<อ>ือชมรอเชียงใหม่ยังไม่ได้เปิดทําการนะครับโอยังไม่ได้เปิดทําการมาก็เพิ่งรู้ชมรอเชียงใหม่ยั ง, ยงไม่เปิดทําการก็คงจะสิ้นเดือนนี้บอกว่าถือว่าครบอครบอบปีด้วยแล้วก็จะเปิดเพราะว่าบ้านอะไรก็ผุแล้วก็ต้องปรับไปซ่อมคําถามที่เราพูดคุยกันครับเรื่องโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็ผมมองแล้วสอบคล้องเลยเกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องทฤษฎีงานเนี่ยนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันว่า สภาวะของการต้องกลับมาทํางานเนี่ยนะฮะในสภาวะของการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างพอเราชุมนุมแล้วก็ต้องกลับมาเข้าที่ตั้งแล้วก็ต้องเตรียมกระบวนการใหม่เนี่ยการสภาพของการปรับตัวของสภาวะตรงนี้ครับหลายคนมีปัญหาแม้กระทั่งผมเองด้วยและปัญหาที่สําคัญคือมันเป็นปัญหาของความคับข้องใจและอึอดอดัดใจว่าเอ๊ะกระบวนการในการจะสื่อสารกันอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะทาอย่างไร แล้วควรจะต้องตั้งมั่นจิตของเราเองเช่นไรต่อความเป็นไปที่มันเกิดขึ้นเพราะวันนี้ดูเหมือนว่าคนก็ต้องรอดูในทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าหลายคนไม่ถนัดบางคนเปิดวิทยุฟัง <c oughs> นะฮะอยู่ริมมูลเปิดวิทยุฟังบ้างใช่ไหมครับเปิดทีวีแต่ฟังเสียงกันบ้างดูเหมือนเป็นการสื่อสองทางมันเป็นวัฒนธรรมเหมือนเป็นสิ่งที่มันทํากันมานานแล้วแต่อยู่ๆมีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของ ความขุนมัวเราจะขจัดสิ่งนี้ได้ยังไงแล้วก็จะจะทำจะวางวิถีตัวเองได้อย่างไรพ่อครูครับตรงนี้เป็นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเกิดคลุกคลักครั บ, รบในการที่ทํางานไปทํางานไปพอมันมีการขาดตอนหรือว่ามันเกิดการไม่ต่อเนื่องไม่อะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็เลย จิตใจมันก็เลยไม่ราบรื่นจิตใจมันคลุกคลักจิตใจมันมันมันอะไรต่าง น, น้จะทำยังไงนะอันนี้นเป็นปเป็นประเด็นของจิตจิตใจที่ยึดถือจริงๆที่ถามมาถ้าเผราอว่าประเด็นคำถามเป็นอย่างนั้นเท่ากับการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไปเช่นว่าเราได้ฟังได้ดูโทรทัศน์ในเรื่องรายการอย่างนี้น่ะ แล้วก็ไม่ได้ดูรายการอย่างนี้ก็รการขัดข้องใจอะไรย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราทํางานติดต่อกันไปเสร็จแล้วก็เกิดต้องวักตรงเว้นแล้วก็กลับมาทํางานอีกใหม่มันก็เกิดการขาดตอนเกิดการไม่ราบรื่นกระกุกกระคักอะไรขึ้นอีกอคนที่เคยได้รับบริการหรือว่าคนที่เคยได้ แม้แต่คนทำงานเองก็เกิดการสะดุดใจอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันเป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องยิดมั่นถือมั่นคำเดียวที่จริงในศาสนาพุทธนี่รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่คำว่ายึดมั่นถือมั่นตัวนี้ศาสนาพุทธี่ยึดคำว่ายึดมั่นถือมั่นนี่แหละ ทีนี้มันมีความลึกซึ้งเท่านั้นเองลึกซึ้งว่าความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยในความหมายในความเข้าใจเพื่อพูดกันบรรยายกันเป็นปริยัตเป็นคำอธิบายเป็นเหตุเป็นผลให้ฟังกันเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้ครับว่ามา ย, ยึดมัน่นถือมั่นคืออะไรก็ไม่ยึดมันก็วางอ้าวผู้ดิภาษานึงก็ว่ามันวางไม่ยึดมันก็วางก็เข้าใจได้ไอวางภายนอกนี่นะอย่างสิ้นยกตัวอย่าง เราจะจะวางเราจะปล่อยเนี่ยยกตัวอย่างง่งายๆว่าเราแบกไว้อยู่แล้วก็วางลง <c oughs> อมันก็เบามันก็พูดได้ <c oughs> อของได้เป็นวัตถุ <c oughs> เป็นเรื่องนอกอไปติดไปยึดมันอยู่ทําไมปล่อยไปแม้แต่ติดบุหรีก็ปล่อยมันออกจากปากมันก็หลุดออกจากปากแล้วมันก็ไม่ติดไม่อยู่แล้วนี่อะไรอย่างนี้ <c oughs> มันก็ง่ายนะพูดอย่างนั้นมันก็ง่าย หรือแม้เข้าใจถึงไปถึงนมามมันทำถึงจิตว่าจิตมันยึดนะเพราะงั้นจิตเราก็ควรวางสิไอ้คำว่าจิตควรวางสิเนี่ยเข้าใจได้ในความหมายแต่ว่าเราจะทำให้จิตของเราเอ่อมันวางเนี่ยเรารู้หรือเปล่าเราว่าจิตเรายึดเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้จิตเรายึดหรือไม่ยึดก็ยังไม่รู้แล้วมันยึดอยู่ยังไงมันยึดหรือไม่นั่นหนึ่ง ไม่รู้ว่ามันจิตมันยึดหรือไม่ยึดเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจครนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจไม่รู้สภาวะจริงของจิตอาการมันยึดอยู่มันเป็นอย่างงี้มันก็จะไปวางเป็นยังไงออืวางไม่ได้วางไม่เป็นเลยให้เข้าใจความหมายยังไงยังไงก็วางไม่เป็นครับอดีไม่ดีบางคนเข้าใจแล้วความหมายเอก็นึกว่ามันง่าย เข้าใจแล้วกว็ามหมายว่าวางอ๋อวางเขาก็วางน่ะวางไอ้นี้แหละฟังดีๆนะตรงนี้เขาวางเขาดูสิเขาวางจริงนะน่ะเขาบอกเขายึดเขาก็เลิกเรื่องนี้เลยวางสิ่งนี้เรื่องนี้ของนี้เขาตัดวางปฏิบัติทันทีเดี๋ยวนี้เลยนะครับนับบัดนัน นะบัตเตอร์เขาวางแล้วก็ใจของเขาดูโ ล, ล่งรู้จักเออมันหลุดมันไม่มีอะไรละ ว, วางเขาทาได้อย่างนั้นเลยจริงจริงแล้วก็ก็สบายใจมื่ว่างโลง่งเขาก็ทําได้นะการทําได้เช่นนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยให้จิตได้ฝึกเหมือนกันแต่มันก็ฝึกโดยตักกะฝึกฝึกโดยออกําหนดหมายง่ายๆ ง่ายๆเป็นสามัญสำนึกธร ร, ธรรมดาเป็นสำนึกพื้นๆต้นๆที่ไม่ครบองค์ของการเกิดญาณเกิดปัญญาที่สมบูรณ์เป็นองค์ประกอบของความรู้ติเต็มมันไม่ครบตามสังโยชน์สาม <c oughs> มันไม่ครบตามสังโยชน์สาม อันนี้ฟังดีๆคนที่ก็ทําก็สอนกันอยู่เขาแนะนํากันอยู่ก็วางแล้วก็ฝึกวางกันมีสติมีปัญญาอย่าไปยึดมันม่นถือมั่นเจออะไรเรื่องอะไรมันทุกข์ก็วางเขาก็วางกันได้วางให้เก่งหลายสำนักครับได้ประโยชน์ทางนี้เขาวางก็าวางสบายแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขายังไม่ได้วางจริงจิตไม่ได้ปล่อยได้วางจริงเพราะไม่รู้ไอ้ตัวยึดมันเป็นยังไงอืมครับ ในตัวยึดเนี่ยมันจะเป็นยังไงวิธีการสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็คือหนึ่งจะต้องอยังเข้าไปรู้ในขณะที่เรามีเหตุมีปัจจัยเรียกว่าองค์ประกอบครบองค์ประกอบนี่ภาษาเรียกว่ากายอืมครับองค์ประกอบนี่ภาษาเรียกว่ากายองค์ประชุมหรือองค์ประกอบหรืออง์รวมนี่เรียกว่ากายและในองค์รวมในองค์ประกอบที่เป็นกายเนี่ยอ่ะ คำนี้อาตมา ก, กําลังอธิบายากําลังเข้าย้ายความอย่างสําคัญเลยเพราะมันสําคัญมากในาศาสนาพุทธถ้าเข้าใจความนี้ไม่ครบคงจะได้แต่ตักกะคงจะได้แต่เพลินเพินสามารถสํารึกอย่างนั้นนะไม่ยังเข้าไปถึงประมัดไม่ยังเข้าไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพานที่อทตมา ก, กําลังจะอธิบายนี่คือความเป็นจริงที่ปฏิบัติรมแล้วจะมียานยังรู้อ hmm. เข้าไปถึงความจริงของจิตเจตสิก โดยคําว่า ก, กายกายคํานี้ในสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคือสักกายสักกายะนี่แหละสักกายเราเรียกง่ายๆภาษาไทยง่ายๆว่าสักกายสักกายะซึ่งเรามีทิฏฐิมีความรู้เรียนมาเยอะรู้มีเข้าใจความเข้าใจความเห็นความเข้าใจทิฏฐิว่าเราจะต้องละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเป็นข้อหนึ่ง แล้วก็สังโยชน์ข้อที่สองสังโยชน์ข้อที่สาสำเร็จผลของสังโยชน์ข้อที่สจึงจะชื่อว่าเป็นผู้บรรลุธรรมโสดาบันขั้นต้นบรรลุโสดาบันขั้นต้นก็หมายความว่าผู้เป็นอริยะเป็นผู้ที่มีมรรคผลเป็นผู้ที่ได้ความจริงของปรมาทิต์ได้ความจริงของพุทธธรรมที่เป็นอริยธรรมที่แท้จริงครับนะ เพราะงั้นเมื่อเข้าใจคําว่ากายคือเจ้ามีองค์ประชุมของตากระทบรูปแล้วก็เกิดวิญญาณหรือเกิดธาตุรู้ไอตัววิญญาณตัวธาตุรู้นั่นแหละพรกระทบปั๊บโดยอวิชชาเนี่ยโดยอวิชชาโดยความไม่รู้ของคนเนี่ยแม้ความรู้ของคนเกิดตามคนที่ยังไม่รู้มันก็จะเกิดจริงปรุงขึ้นมารวมขึ้นมาเป็นองค์รวมที่จริงเนี่ยไอการปรุง ที่กระตากระทบรูปเกิดวิญญาณนี่มันเป็นองค์ประชุมเป็นองค์ประกอบก็คือกายนั่นแหละกายที่เป็นองค์ประชุมองค์ประกอบของสภาวะธรรมองมค์รวมครับที่เรียกอีกชื่อนึงว่าสังขารในป <Could. S 2> ฏิจจสมบัติอวิชานี่มีสังขารเป็นปัจจัยหรือ<ะ>ปัจจัยของสังขารที่มันไม่รู้เรื่องนี่มันเพราะอวิชาครับอวิชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเป็นปัจจัยของอวิช า, <erreichen. S 2> านี่ใน ผู้ที่อวิชามันเป็นปัจจัยแก่การละการอยู่งี้แหละแล้วก็ไม่รู้จักสังขารไปตลอดเพราะเริ่มต้นตั้งแต่สังขารตัวแรกนี่ก็ไม่สามารถทำให้เกิดปุญญาภิสังขารคืออภิสังขารไม่เป็นจัด ก, การกระองรวมรู้ัดการกระองค์ประชมุมจัด ก, การของการสังขารขององค์ประกอบของตาครบรูปแล้วก็เกิดวิญญาณเกิด เกิดจิตเกิดธาตุรู้มันเกิดพุทมันขึ้นมาเลยปรุงแต่งเลยว่าสังขารเนี่ยมันทําการจัดการวุ้บด้วยวิชามันก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามภาคเพียรอ่านรู้ตัวนี้ให้ได้จับตัวนี้ให้ได้จับอาการของวิญญาณตัวเนี้ของตัวรู้ตัวเนี้พอรู้พับเราก็จะรู้สังขารองรวมห ร, รือว่าองค์ปรุงแต่งของภาวะครบครบนะว่ามีตากระทบรูปครับ หรือมีหูกระทบเสียงครับมีเขาเรียกว่าหกอ่ะนะมีทั้งพอกระทบระมัดเกิวิญญาณทั้งหเลยเกิดกระทบตากระทบรูปมันก็มีวิญญาณของทางตาหูกระทบเสียงมันก็เป็นวิญญาณของหูนะจมูกกระองกลิ่นก็เป็นวิญญาณของกลิ่นครับเพราะนั้นก็ต้องอ่านจิตเจตสิกนั่นก็คือวิญญาณนั่นแหละอ่านจิตเจตสิกนี่คืออภิธรรม เพราะนัผู้ที่เรียนรู้อภิสังขารสมปุญญาพิสขานอภญญิสังขารหรืออเนชาพิสังขารเนี่ยก็ต้องปฏิบัติปุญญะหรืออภิสังขารที่ให้เกิดบุญครับทับศัพท์ให้เกิดบุญคืออะไรบุญคือการชาระกิเลสเพราะนั้นคุณจะจัดการสังขารแปลว่าการจัดการวางบนนี้นะ สังขารเปไ็นการจัดการหรการปรุงแต่งการตกแต่งการปรับจัดการร้อนเา <c oughs> เอาๆ อ, า อ, าอาจัดการดูหน่อยจัดการจัดการวัตถุแหมเจตนาดีเนี่ยเอามาร้อนๆเลยเนี่ยจะมา จ, จับรูร้ว่าพดีมันมีลุ่มบ่บ่ด้วยทำสองอย่างพอดีมันก็เลยควบคุมไม่ถนัด เราฟังดีๆนะที่อาตมาอธิบายนี่เอาสภาวะความเป็นจริงในความรู้ที่อาตมามีจากคําสอนของพระเจ้าจนกระทั่งปฏิบัติแล้วก็รู้จักสภาวะเหล่านี้ไม่ได้เป็นความเอาตาําราหรือเอาความรู้ที่ไหนจากที่ไหนมามาพูดหลอกนะและคุณจะอธิบายอย่างอาตมาอธิบายเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่ามัน ถ้าไม่มีสภาวะอย่างนี้ถ้าคุณมีสภาวะอย่างอาตมาคนอธิบายได้เหมือนกันใครที่เข้าใจอย่างอาตมีสภาวะอย่างอาตมาอธิบายได้หรือแม่แต่อาตมาถ้าไม่มีสภาวะอาตมาก็อธิบายอย่างนี้ไม่ได้ทอธิบายได้เพราะมีสภาวะมีความเข้าใจแล้วก็มีความเห็นจริงมีจริงอยู่ว่าไออาการของวิญญาณอาการของสังขารเนี่ยไม่ใช่เรื่องโมเมนะสังขารมีวิญญาณเป็นปัจจัยครับ เพราะสังขารกับตัวเดียวกันกับวิญญาณนี่แหละเพราะในความไม่รู้นี่มันไม่รู้ไปทั้งหมดทั้งสังขารวิญญาณเพราะมันไม่มีปัญญารู้นามรูปแล้วมันก็ไม่รู้อายตนาไม่รู้ภาษาไม่รู้เวทนาไม่รู้ตัณหาไม่รู้ประานไม่รู้ภพชาติไม่รู้ชาติการชรามรรณะอะไรต่างๆของปฏิสุบัติมันไม่รู้ไปทั้งนั้นเนี่ยเพราะอวิชามันเกิดจริงมีจริงเป็นจริงอยู่คนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ยังเข้าถึงเหตุปัจจัยพวกนี้จริงเ ก็าจะไม่เข้าใจมันต้องได้ฝึกฝนเรียนรู้จริงๆเลยเข้าใจที่อธิบายฟังอุทเทศฟังสัตบุรุษฟังผู้รู้ทั้งอธิบายเข้าใจแล้วเราก็เอาไปทําตามฝึกจริงๆเข้าใจแล้วเข้าใจเป็นบัญญัติเป็นภาษาเป็นปริยัติแล้วเข้าใจดีๆแล้วว่าเออทฤษฎีที่การปฏิบัติเป็นอย่างนี้มันเขาไม่ได้ฝึกอย่างที่อัตมาพูดกันที่อัตมาพูดตอนตนนะว่า เขาทำการวางทำการปล่อยทำการวางแล้วเขาก็สบายใจเขายังไม่เข้าถึงจิตเจจิตศึกเลยเขายังไม่มียาณปัญญาอย่างรู้จริงเลยเพราะฉนะนั้นกายะที่เกิดในองค์ประชุมอาจารมาขยายความในองค์ประชุมคืออะไ ร, รของเราเองออยู่ในใจเราเองอยู่ในเหตุปัจจัยเราเองมีทั้งตาของเราหูของเราสมอกของเรากระทบของเรากระทบเดี๋ยวนี้เกิดปัญญาณเดี๋ยวนี้แล้วเราก็รู้ของเราดับปัจจนีเดี๋ยวนี้อ่านนี่ได้ว่าอาการเป็นอย่างนี้ นี้อาการวิญญาณนี่หรืออาการสังขารเนี่ยในสังขารของเราอ่านเอาวิญญาณของมันสังขารนี่ไม่ใช่มาอธิบายไม่ได้มามองถึงสังขารนอกครับแต่มันเนื่องกันอยู่มันเป็นองค์ประชุมทั้งตากระทบรูปนี่เป็นสังขารที่เกี่ยวข้องกับของ ข, องข้างนอกเกี่ยวข้องกับมหาพูทธ ร, รูปสือเกี่ยวข้องกับดินน้ำไฟลมเมื่อเราสัมผัสเข้าไปเนี่พวกนี้ของพวกนี้ดินน้ำไฟลมทั้งนั้นแล้วก็เกิดวิญญาณเรามีภาษาทรูปอีตา มีหูมีจมูกลิ้นกายอย่างนี้เป็นต้นตามถวกคำสอนรู้เจ้าทั้งนั้นเนี่ยเมื่อมีแล้วกระทบแล้วมันก็เกิดจริงเมื่อเกิดจริงแล้วก็ฝึกอ่านในปัจจุบันนั้นๆที่กระทบเมื่อกระทบเป็นสังขารแล้วคุณก็จะต้องอ่านเมื่อเป็นกายที่เห็นข้างใ น, นพอกระทบปั๊บมันก็เป็นกายเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสังขารองคประชุ ม, มที่อธิบายไปแล้วไม่องประชุมก็พลุบเลยปรุงแต่งกันอยู่เนี่ยเป็นกายกายอันนี้แหละคือ กายในกายที่คุณจะต้องสติปัฏฐานสี่คุณจะต้องอ่านมันคุณจะต้องวิจัยวิเคราะห์มันจะต้องพิจารณามันจะต้องวิตกวิจารณ์มันภาษาที่จะมีเยอะทีนี้มันมีคำข้อสงสัยไม่ใช่ข้อสงสัยพ่อครับมันเป็นสิ่งที่มันมันจับจักประสบการณ์ได้เพราะมันปรุงไอการปรุงมันต้องเกิดรสชาตินะครับ มันมันไปติดรสชาติก่อนที่จะไปถึงขั้นสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสี่มันมาไม่ทันเพระมันปรุงปับ๊บเนี่ยแตงไทยอื้มหืมกลิ่นมันหอมมันปั๊บไปแล้วไปแล้วครั บ, บ, บ ก, กระทบกลิ่นตากระทบรูปตากระทบรูปกลิ่นได้ด้วยโอบเดี๋ยวถ้าได้กลับไปบ้านน้ํากะทิแตงไปเลยครับไปไกลเลยครับเดี๋ยวเธอเดี๋ยวให้หอมไปไม่ต้องพูด ไออาการอย่างเงี้ยครับคือแทนที่ปัสติประฐานสี่มันจะมาก่อนอย่างเงี้ยมันมันไปซะไกลก่อนมันฟุ้งไปแล้วพ่อคูครับไอกระบวนการฝึกตรงเนี้ยเราจะฝึกเพื่อจะชดในนั้นแหละเรารู้กายเลยน่ะน่ะตอนนั้นเป็นกายผีกายผีอกายมันเป็นตัวหยากเป็นตัวเกิดอาการไม่ชอบแล้วดินรนอยากได้แล้วครับคําว่าดินรนอยากได้เป็น เป็นผีเป็นวิญญาณผีเป็นอาการของผีมันก็อยู่พร้อมกันกับสังขารความปรุงแต่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึต้องอ่านผีตัวนี้ให้ได้แล้วก็วิเคราะห์วิจัยเข้าไปให้หมดเลยว่าหนึ่งวิญญาณนะเราเห็นแล้ววิญญาณผีอ่านวิญญาณผีให้ออกนี่เรียกว่าอ่านนามมารูปอ่อานนามมารูปไม่ใช่ไปอ่านผีที่สอนว่าผีนี่มันมีร่างกายนะ เปลดกตัวสูงๆปากจูจๆท้องโตๆลิ้นยาวๆอะไรอย่างแล้วแต่ไอ้น่ะมันร่างรสรีระ ม, มันไม่ใช่เรื่องของจิตเจตสิกแต่นี่มันจิตเจตสิกหรือวิญญาณหรือมโนใช้ภาษาไวยพจน์ภาษาแทนกันไปซะก่อ น, นภาษาใช้แทนกันได้ยังไม่ต้องไปลุดลงในลึกในละเอียด เพราะเราอ่านจิตอ่านวิญญาณแล้วเราก็มีปัญญาอ่านนามรูปเป็นรู้อาการรู้ดิง่งคาลูนิมิตรู้อาการที่มันอ้ออาการอย่างนี้เนาะอาการผีมันไม่ใช่เห็ น, หนที่เสน้นแสงเป็นเป็นร่างเพราะคนที่สอนเรื่องผีก็ว่าจะต้องเป็นร่างเห็นรูปร่างตาทิพนั่งสมาธิหลับตาก็เหนไอสมาธิหลับตานะ่ะมันก็ต่างจากที่เป็นกายสักกายะสังกจที่หนึ่งแล้วมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้เริ่มที่นี่เลยอื เท菩萨ท่านยืนยันประกาศปฏิบัติธรรมนี่จะต้องสัมผัสวิมกแปดด้วยกายเนี่ยกายคำเนี้ยที่ท่านกำกับไว้เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจกัครับมันพูดที่จะปฏิบัติธรรมให้ตายยังไงถ้าไม่สัมเพสัผัสวิมกแปดด้วยกายเนี่ยไม่ได้เป็นอรหันต์หรอกต้องจับกายให้ทันการให้มันปรุงปุ๊บรวมกันปั๊บกายมันเกิดปุ๊บเลยคุณจะต้องสติปัฏฐานสี่ครบกายในกายเวทนาเวลาจิตในจิตทําให้ทำสี่อันนี้ทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเนี่ย ไม่ได้แยกกันนะอืมครับอยู่ในสภาวะที่เป็นอิทัปจิยตาเนื่องๆกั น, น, นอยู่ต่อกันอยู่เพราะงั้นจักกายนี่ที่คุณพูดปุ๊บเลยนี่มันชอบเลยเนี่ยครับเป็นผีละอตาตมาก็อธิบายว่าแล้วผีตัวนี้แหละคือตัวที่จะต้องกําจัด ค, คุณอ า, าการไม่อหี้เห็นคุณเห็นอาการมันรู้นามรูปมันและมันเป็นอาการนะครับพระพุทธเจ้าต้อสอนว่านามรูปต้องรู้ในอาการลิงค์นิมิต อุเทศคือคำอธิบายในอัตมาอธิบายให้ฟังอยู่ในมรู้คอุเทศแล้วปฏิบัติให้เห็นนิมิตนี้เครื่องนี้อาการอย่างนี้แล้วก็หมายเอาวาอ๋ออาการานี้เนะี่ยอาการผีที่คุณจะต้องกําจัดถ้าให้มันได้ปับ๊บขณะนี้มันมีผัสสะนะตาก็มีผัสสะและอายตนะต่อกันระหว่างตากับรูปหรือจมูกกับกลิ่ น, นมันสัมผัสอยู่ในตอนเนี้ย่ผีมันก็เกิดหลาดๆอย่ตอนเนี้ยครนะนา ม, มารูปเห็นอยู่อ่านอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในขณะที่อ่านนามารูปนี่ที่คุณบอกว่าอารมณ์มันเป็นนะนั่นแหละมันเป็นอารมณ์ผีเวทนาผีครับความรู้สึกผีมันอยากมันชอบนี่อารมณ์ผีมันชอบมันปนปนกันอยู่อาการชอบอยากได้มันชอบก็จะต้องให้สมชอบอืมันยังไม่สมชอบมันก็ดิ้นรนดิ้นรนมันก็ยัง อยู่ดิ้นอยู่นะอาการดิ้นของอยากได้ที่มันชอบเนี่ยโอ้มันชอบใจแล้วมันจะอยากได้มันเป็นเวทนาอยากได้เหตุของความอยากได้โอ้เหตุของความชอบเพราะเราอยากได้มาได้มาหอมอยากได้มาเสพมาเสวยรถอาจจะยึดมันใช่ไมันี่ยใช่ยึดมันมาเป็นยึดมันมาเสพถ้าเป็นกามหรือเป็นราคะก็อยากเสพมันก็เป็นตัณหา การมตัญหาที่อยากเสพนี่แตงไทยนี่อยากเสพนี่เห็นหลัดหลัดตอนนี้มันเกิดภาวะนั้นต่ขณะนี้ทั้งนั้นเลยครับคุณวิจัยมันออกว่าอ๋ออาการผีผีตัวนี้คือผีอยากอยากเพราะเห็นอะไรเพราะอยากเพราะว่ามันมันชอบไงเวทนามันชอบมันเกิดอิทธารมและที่นี้ยังไม่ได้มันเป็นไงมันก็ยังไม่พอใจมันก็ยังไม่ไม่ชอบมันก็ยังไม่ไม่เต็มกับอารมณ์ ยังไม่สมอารมณ์มันก็ยังดิ้นมันก็เป็นผีอยู่และมันไม่สมอารมณ์เพราะอะไรเพราะมันได้ไม่สมความอยากไม่ไม่สมไม่ในผีมันเสพไอสิ่งที่มันต้องการอืมอ่เพราะไอตัวเสพที่ไม่ต้องการนะั่นแหละอ๋อไอตัวนี้เองก็พิจารณาตัวนี้อ่านตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเวทเวทนาในเวทนาแล้วครับแม้จนกระทั่งเห็นตัวผีเห็นตัวอยากตัวเปรตมันจะเอา มันก็เป็นตันหาแล้วครับเป็นตันหาไอ้ที่เราอ่านอาการเนี่ยมันเหมือนเป็นล่องรอยมาละใช่คือคือมันต้องผ่านจริงเลยเนื้ออย่างทีอธิบายนี่ตามได้เลยมันใช่ครับมันตามออกมาเรียบร้อยมันมันมันมีเส้นทางออกมาเรียบร้อยแล้วอแต่อณขณะที่เรากว่าจะมาเห็นเส้นทางนี่แสดงว่ามันไปไกลไปแล้วใช่มันต่อเนื่องมันเรื่อยเรื่อยตามมันต่อเนื่องต่อเนื่องมอเห็นนี่จะเป็นเห็นนี่จะเห็นที่เป็นเห็นนี่มาจนกระทั่งที่อัตมาอธิบาย์สายมาจังแตก มาสังขารมาเป็นวิญญาณมันปรุงกันเป็นกายหรือเป็นสังขารเนี่ยเป็นกายสังขารเสร็จแล้วเราก็ ว, าวิเคราะห์สังขา น, นี้กายสังขานนี้ก็เห็นว่าโอ้มันเป็นวิญญาณแล้ววิญญาณอย่างนี้มันวิญญาณผีนะเนี่ยมันเป็นตูวอยากได้ที่คุณอ่านมันอยากได้ได้ก็เพราะว่าคุณอ่านนา ม, มารูปมันได้แต่คุณไปเห็นผีนี่เป็นร่างกายอย่างที่สอนกันอยู่ผีมีรูปร่าง คุณเห็นได้รูปรด้เห็นไดีระคุณอ่านไม่เวทนาไม่ออกคุณอ่านอาการอ่านอารมณ์มันไม่ออกหรอกเพราะคุณไปมองที่เส้นสายแสงสีรูปร่างของเปรตลิตรากผีนรกริมร่างของอะไรแล้วแต่คุณจะวาดไปสารพัดที่คุณจะสมมุติกันแล้วก็มาเชื่อกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็เข้าใจอยู่เงินเพราะวิญญาณมันไม่ใช่เส้นสีแสงตัวตนร่างกายก็หมายถึงเอาอาการของนามธรรมอาการของจิตเจตสิกรูปที่รู้ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างอาการทั้ง จิตเจตสิกเพราะว่าันจึงจะเข้าใจว่าอ๋อถ้าคุณอ่านอาการมันเป็นแล้วนามรูปรู้ได้อาการลิขานิมิตเนี่ยอาการนี้มันเกิดขณะนี้เนี่เพราะมีอายตนะมีผัสสะมีการสัมผัสอยู่แล้วมันก็เกิดเห็นจริงที่เป็น ต้องวิโมกแปดด้วยกายมีทั้งพังนอกพังอิทารูปานิปัสสติสัมผัสอยู่กับพังข้างนอกอ่านก็ไปข้างในแม้แต่ยังไม่ถึงขั้นอารูปก็ตามเห็นอาการข้างในถึงขั้นนามธรรมก็มันอัจฉตังอรู ป, ปสัญญีเอโกนี่ในวิโมกข้อที่สองเห็นมันอยู่นี่เป็นของตนของตนส่วนตนเลยเอโกนี่เป็ว่าของตนโดยตนของต น, ต น, งตนส่วนตนเห็นอยู่นี่ของเราคนเดียว เอโกนี่เราเห็นของเราคนเดียวขณะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวคนอื่นของใครของมันของใครของมันเอโกนี่เห็นอยู่เนี่ยและคุณก็วิจัยวิจารณ์นะคุณก็ดูมันออกมันมันกลายเป็นผีอย่างนาอัตมาก็อธิบายแล้วว่าผีนี่คือวิญญาณไอ้นี่แหละคือที่พรอครูบอกว่าตัวสัตว์กายะไอตัวกายที่เราต้องเข้าทำความเข้าใจมันนี่แหละจับหากายมันให้เจอถ้าเข้าใจกายไม่พอว่ากายนี่คุณตัดเลยนะทางตาคุณก็ไม่เอา้า หรือคุณเอาโครงแต่ข้างตาแล้วคุณก็ไม่มีนามมาเกี่ยวข้องอื hmm. ไม่ได้เลยมันครบคันด้วยกายเนี่ยหมายความว่าต้องครบกันเป็นองค์ประกอบเลยทั้งหมดเลย hmm. สังขารปรุงแต่งกันอยู่ทั้งนอกทัางในทั้งฮิทารุปานีิปัสติ hmm. สัมผัสอยู่ hmm. เห็นอยู่ขณะ น, นี้ปัสสติ hmm. เห็นหลัดหลัดอยู่เดี๋ยวนี้เลยอ่าแล้วก็อ่านเข้าไปภายในมันจนกระทั่งมันไปเป็นสภาพของ มีพรรษาอยู่มีอายตนาอยู่จนกระทั่งเห็นอาการของเวทนาอารมณ์มันอารมณ์มันอยากจนกระทั่งในอารมณ์มันอยากอยากแล้วมันก็จะชอบใจอยู่ในทีชอบใจเนะ่ยเป็นเชิงหนึ่งอาการหนึ่งของเวทนาอืมครับมันอิทธารมณ์มันชอบมันอยากได้มันชอบแต่มันยังไม่ได้สมใจทีเดียวชอบมันก็ต้องเอาให้ได้ให้ครบให้ครบองค์ประชมุมองค์ประชุมของสัมผัสแต่ต้องจริงๆอย่างตาเห็นรูปมันยังไม่ได้สัมผัสสัมผัสยังไม่ได ถ้ากินมันถึงจะเต็มที่ก็ต้องกินต้องแตะรถที่ลิ้นอืมันยังไม่ได้เลยมันยังไม่ได้มันก็ดิน้นดินดิ น, ดนอาการดิ้นนะคืออาการผีที่แทรกอยู่ในเวทนาครับตันหานั่นเองแทรกอยู่ในเวทนาตัวตันหานั่นตัวนี้แหละคือตัวที่คุณจะกําจัดเป็นเหตุแห่งทุกอริยสัตว์ตัวกําจัดเมั่อถ้าคุณกําจัดตัวนี้ได้ คุณรู้ตัวนี้อย่างจริงเลยที่อาตมาอธิบายนีย่คุณทําความเข้าใจดีแล้วไปปฏิบัติถูกต้องเลยพ้นวิจิกิจฉาขณะที่คุณสัมผัสได้และเป็นปัจจุบันนี่เลยว่บศ ก, กายะคุณพ้นคําว่าแต่รู้แค่ทิฏฐิตอนนี้คุณเห็นตัวจริงแล้วเรียก<ม>ว่าพ้นศ ก, กายะทิฏฐิจับกายมันได้จับอาการกายมันได้ชัดเจนเลย<ม>เห็นตัวแท้ของผีของตัวเหตุปัจจัยของสมุทยัยที่จะต้องกําจัดพ้นวิจิกิจฉาสังโยคข้อที่สองด้วย ชัดเจนเลยไม่สงสัยไม่ลังเลไม่ฝกชัดคุณต้องเห็นว่าอันนี้มันของจริงเลยคุณต้องอ่านจิตเจตสิกตัวนี้เห็นตัณหาตัวเหตุปัจจัยตัวสมุทัยเนี่ยคุณเห็นตัณหาคุณรู้จักตัณหาตัวนี้จริงๆเลยตัณหาตัวนี้คุณจะต้องจัดการกําจัดมันต้องประหารตภาเมื่อเกิดการปหารตภาคุณก็จัดการมันถ้าคุณได้จัดการมันจนกระทั่งมันปล่อยมันวางเพราะ ปัญญาครับคุณอ่านนี่รู้เวทนาในเวทนาขึ้นมาแล้วอคุณตัวจับตัวจิตตัวตัณหามันเป็นเป็นอกุสุลจิตครับมันเป็นสราคะมันเป็นตัวของความเป็นราคะเนื้อตัวการมีราคะสะนี่คือความมีความเป็นของมันราคะมันเป็นอาการราคะอืคุณก็รู้จิตในจิตครับและคุณก็ประหารตัวอกุสุลจิตตัวนี้ ถ้าคุณยังประหารมันไม่สำเร็จมันไม่ผ่านศีลปตะปรามาตรคุณเจอมันแล้วถูกตัวมันแล้วถูกต้องตัวมันแล้วรูปตัวมันแล้วรูปตัวผีรูปตัวกิเลสรูปตัวสมุทยทำมันแล้วรูปมันแล้วแต่คุณยังไม่สามารถทำให้มันกําจัดให้มันลดละจางคลายยังไม่วิราคะยังไม่ดบ ไอ้มันวิราคะมันดับมันวางมันปล่อยมันไม่เอาแล้วมันไม่เป็นจริงแล้วตามเหตุผลตามหลักฐานตามหลักการของพระพุทธเจ้าเลยว่าเห็นมันไม่เที่ยงคุณสัมผัสไว้ก็ต้องพยายามมันไม่เที่ยงมันอยู่นี่เดี๋ยวมันก็หายไปมันอยากแล้วมันก็ทุกข์มันก็สุกสุขทุกข์ๆุแต่ตอนนี้เราปฏิบัติจริงๆจนก็ตั้งเกิดญาณอย่างวิปัสสนาญาณก้าวจนก็ตั้งเห็นจริงเห็นจังนะเออมันเกิดขึ้นผ่านไปจนเกิด ขอผ่านสรุปแล้วกันเพราอัตมาอธิบายม่หลาทีแล้วจึงกะต้องเห็นภัยเห็นโทษเห็นอะไรของมันว่ามันเออมันหมุนเวียนมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นภาระเถอะว่าเรายังติดยึดอยู่งี้มันไม่ได้วางจริงจิตมันไม่ได้ปล่อยวางจิตมันปล่อยวางมันต้องเกิดมุนจิตถูกกรรมยตยานยานปัญญามันเห็นมันนิพอาทีนวนาวนุปัสสนายานนิพิธานุปัสสนาวนุปนิพิธานุปัสสนายาน มันมีอาการของจิตเห็นโทษมันมีอาการของจิตเบือ่อเพราะไม่เอาแล้วมันจึงวางมันจึงเกิดญาณปัญญาวางจิตมันวางเห็นจริงๆไม่ใช่คุณวางคุณยังไม่รู้ตัวกายคุณยังไม่รู้ตัวสภาพก็าวางก็ปลยสิสัมผัสแล้วก็ยุดนิ่งเฉยวางไว้ทำสติให้รู้อย่าไปยุดไปติดมันทิ้งไปมาปล่อยไอ้แบบนี้ทํากันมาเยอะในสำนักในในในนั้นก็เยอะแต่ไม่เข้าถึงอภิธรรมไม่ถึงอภิสังขาร ปัญญานี่ยหมายคำว่าชําระได้แม้คุณทําให้ลดจางคลายลงมันก็ได้เริ่มได้แล้วเริ่มเข้าไปละเป็นมรคเข้าไปเรื่อยๆจะเรียกผลตัวที่หนึ่งก็ได้ผลตัวต้นแต่ยังไม่เต็มครบที่ยังไม่สมบูรณ์ครับเห็นมันทําให้มันลดมันจางมันคลายนิวิราคานนปัซซี่เห็นมันเลอะจางคลายจนเห็นมันดับเออมันไม่มีอาการนี่เลยคุณก็จะต้องกําหนดรู้ความดับเอออาการอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ ตอนนี้ไม่มีอาการอย่างนี้ในจิตในะสัพพัตอยู่เห็นอยู่ เ, เกิดอาการผีอาการอะไรแต่อะไรมันก็ไม่มีละไอ้มันมีตอนมันมีมันเกิดอยู่เราก็เข้าใจแล้วก็จาได้อยู่รู้จะสัพพัตตอนแรกมันก็เออมันหนงแสดงตัวผีพอพิจารณาเข้าจริงๆว่าเอา้ยไอ้นี่มันอยมาหลอกยานที่เป็นวิปัสสนาญาณก้าวของเราก็เกิดขึ้นมามันมีพลังของยานหรือพลังของฌานไฟ ไฟชารนไฟของไฟพิเศษที่มันจะละลายไอ้ไอ้ตัวราคะไอ้ตัวตัณหาไอ้ตัวกิเลสเนี่ยครับมันมีพลังเหนือชั้นจริงๆมือนจึงละลายเพราะเราก็เห็นความละลายหรือเห็นความดับเข้าไปจริงๆคุณทําให้มันลดได้ก็เป็นการพ้ศิลปตปรามายิ่งทําดับได้ก็พ้นสิริปตปรามา์ถ้าดับอันนี้ได้เลยอันที่ปฏิบัติปัจจุบันนี้ คุณก็พ้นสังโยชน์สามคุณก็เกิดจริงความจริงแล้วคุณปล่อยวางจริงๆเห็นอยู่รู้อยู่ว่ามีสัมผัสพิโมกข์แปดด้วยกายด้วยสักกายะด้วยกายในกายด้วยเวทนาในเวทนาด้วยจิตในจิตด้วยทำในทำครบกระบวนการวิปันสนาครับมองให้เห็นไอ้สุขมันเป็นสุขผลิกะให้ได้ให้เห็นความเป็นุถูก่แท้ให้เห็นสุ ทุกทุกไม่แท้แต่ทุกในตัวจริงขตัวจริงอมันเป็นจริงเลยมันติดยึดอยู่อย่างนี้นะมันก็จะต้องก่อทุกข์มันก็ฝังอยู่ในอนุสัยเมื่อคุณทําไปได้คุณก็ก็ลําลายมันได้เรื่อยทาลายไปเรื่อยคุณจึงเห็นจริงไม่ใช่เห็นแต่แค่สามมันสํานึกแล้วก็เพลินแล้วก็บำบันวางมันปลยไม่ใช่นี่มันมีสภาวะรองรับมีตัวจริงที่คุณมียานสัมผัสจริงเห็นจริง อ, อธิบายตามใบญานาภาษาของพระเจ้าครบทุกกันเอาตัวไหนมาอธิบายอธิบายได้หมดครับเวลาจกนกระทั่งมันดับอาการของการดับก็คือมันนิโรธมันนิโรธแล้วเนี่ยบอกว่าถ้าเผยว่ามันถึงเข้าตอนนิโรธมันเป็นยังไงนิโรธแต่ถ้าเผยว่านิโรธเนี่ยมัน อ, อ, อะไรดับก่อนอะไรดับตามมาอะไรดับทีหลังก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อเวลามันดับเนี่ยเวลาไปเกิด อาการนิโรดมันดับนี่ท่านบอกว่าวจีสังขารมันดับก่อนอแล้วก็ค่อยกายสังขารมันดับตามครับแล้วจิตสังขารมันถึงดับเป็นทีหลังกา ย, ยสังขารคืออะไรวัจีสังขารคืออะไรจิตสังขารคืออะไรถ้าคุณเข้าใจสังขารไม่ได้อวิชชาไม่เข้าใจสังขารคุณไม่ได้ศึกษาสังขารสังขารไม่ใช่กรรมทีนี้คนเขาอ่านเพลินๆสูตรนี่แหละ สูตรที่ว่าเมื่อเกิดนิโรธหรือสัญญาเวทีจิตนิโรธเนี่ยก็ เ, เรียกนิโรธล้มเหลวเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เขาเรียกนิโรธแต่ส่วนลึกส่วนละเอียดของผู้ที่ศึกษาดีๆเขาจะเรียกว่าธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นสมานิโรธก็จะต้องเป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธรว่ามันเกิดนิโรตนี่แหละอะไรดับก่อนอซึ่งการดับอย่างนี้ไม่ใช่การดับเพราะนั่งหลับตา แล้วก็ไปดับจิตจิตก็รับรู้ไม่ได้นิ่งไม่รู้เรื่องเลยแล้วเป็นนิโรธแล้วก็เรียกว่าเข้านิโรธอตอนนี้ตอนเข้านิโรธถึงนิโรธภาษาบาลีทะเลอุปจติอุปจ ต, ติการเข้าถึงการบรรลุอาการนิโรธแต่เขาบอกเขาบรรลุอาการนิโรธก็คือเขาเขาดับเขาดับเนี่ยอะไรดับก่อนคนไม่ศึกษาอย่างละเอียด อย่างแจ้งแจ้งยังมียานปัญญาไม่รู้หรอกอะไรดับก่อนอะดับกลางอะไรดับหลังไอ้ยิ่งกลางไม่มีทางรู้เลยอืมอะไรดับต่อมาอะไ ร, ะไรดับทีหลังแล้วยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยครับอะไรมาดับทีหลังเขาไม่รู้หรอกเขาจะรู้อย่างที่สอนกันแล้วอ่านพยัญชนะเนี่ยพยัญชนะท่านบอกไว้เลยเล ย, ยันท่านธรรมทินนาภิกษุท่านอธิบายให้วิสาข์อุบาสกฟังเนี่ยอบอกว่า เมื่อเข้าถึงนู่นอุปชติเนี่ยเมื่อเข้าถึงนิโรธตัววจีสังขารดับก่อนและต่อมากายสังขารดับตามจิตสังขารดับทีหลังสังขารนะดับแต่คนที่ไม่เข้าใจก็จะไปเอาก ร, รมดับยังเข้านิโรธของเขานั่งหลับตาเนี่ยพอบอกว่าจิตสังขารดับ ก, บก็ว่าโอ้ใช่วจีดับก่อนวจิกำไม่ใช <c oughs> ่จวจีสังขานนะกรำ วจีกรรมดับเพราะว่านั่งอมปุยมันอยู่เฉยเฉมันก็ดับแล้วอต่อมาแล้วก็มันนั่งมันยังไม่นิ่งมันยังไม่มีอาการดับกายก็ยังรู้สึกยังหลีกหลักหลังยังมีความเคลื่อนไหวอยู่แต่วัจีก่อนแล้วอืกายต่อมาเออใช่ใช่เออวัจีกรรมมันดับแล้วใช่เต่อมากายกรรมเออใช่กายดับก่อนแล้วที่ต่อมาจิตดับทีหลังเออใช่เดาทั้งสิ้น หรือเข้าใจผิดทั้งสิ้นว่าไอการดับนั้นคือสังขารไม่ใช่กรรมดับคุณดับวิจิกรรมแล้วคุณก็กรมกรมกายกรรมดับ<ม>แล้วก็คุณก็จิต ด, ดับมพมันอยู่นิง่งๆ<ม>ใช่พอดับปีแล้วคุณก็จิตจิต ด, ดับไปจิตแต่สังขารไม่ใช่จิตสังขารมไม่สังขารเลยตอนนั้นไม่ได้สังขารเลยพมันอยู่เฉยมันดับมันนิรโรษนะพรีมาเอะมันต่างกัน เดี๋ยวค่อยอธิบายตอนออกครับเอาเข้าซะก่อนให้ชัด<ะ>ๆวันนี้เจาะตรงนี้ลึกๆ<ะ>เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้แม้คําว่าสังขารกับกรรมนี่ต่างกันเนี่ยครับก็ผิดแล้วอืเพราะงั้นการสอนหรือว่าการเรียนที่ไม่ได้เข้าใจรายละเอียดโดยไปเข้าใจคําว่ากรรมกับสังขาร น, นี่เป็นนี่แหละอันเดียวกันมไม่ใช่อันเดียวกันใช่อันเดียวกันถ้าเผือเข้าใจลึกๆแต่บัดนี้กําลังปฏิบัติอย่างละเอียดเป็นอภิสังขาร ไม่ใช่สังขารหยาบยาตื้นต้นอย่างนี้กายหรือกรรมกรรมนั้นมันองค์รวมมันสังขารองรวมมันรวมใหญ่เลยข้างนอกหยาบยาบแต่อันนี้มันไปอภิสังขารตัวในเลยไปถึงสังขารในตัวนี้วจีสังขานีถ้าคุณไม่เข้าใจถึงวจีสังขาญในสังกัปปะเจ็บ 7. ในการปฏิบัติมากองแฝกของพระพุทธเจ้ามีสังกัปปะเจ็บการปฏิบัติสัง กัปปะเจตนี่คือกระบวนการสังกัปปะเจติมีตักกะวิตกะสังกัปปะอั ป, ปนาพญปนาเจตโสพิณิโรปนาวจีสังขารเป็นตัวที่เจเจตัวภาคปัญญาคือตักกะวิตกะสังกัปปะภาคเจโตคืออัปนาพญปน า, ปปนาเจตโสพินิโรปนา <c oughs> มันทํางานร่วมกันมันเป็นกระบวนการของมณสิการของการทําใจในใจของการปฏิบัติ พราะคนที่ทำมณสิการเป็นปฏิบัติจัดการกับกระ บ, บวนการของจิตเนี่ยมณสิการมณสิกโรติทำใจในใจของเราเนี่ยจัดการกับมันเป็นก็อย่างที่อาตมาอธิบายไปก็อ่านพิจารณาในนี้ในนี้มันเริ่มดมริพอสัมผัสจิตมันดมริแล้วชอบชอบขึ้นมาเฮ้ยชอบ คุณก็ไล่เลียงพิจารณาตามเลยนี่มันเกิดองค์ประชุมมาเป็นกายเป็นสังขารเนี่ยคุณยังพูดอยู่ก็ได้เฮอแตงไทยโอ oh, สวยโอ้ oh, น่ากินโอ้ oh, หอมอะไรก็แล้วแต่คุณพูดอยู่ก็ได้วัจีกรรมคุณพูดอยู่ก็ได้แต่คุณอ่านวัจีสังขารวัจีสังขารมันจะเกิดอยู่ แต่ว่าจีสังขารตัวนี้เป็นองค์รวมของสังขารที่เป็นสังขารมีผีร่วมอยู่อืมใช่เพราะฉะนั้นมันอยู่ภายในใช่จิตของคุณเกิดกระบวนการของจิตตักะวิตกะสังกปะคุณก็จะต้องอ่านเลยว่าเริ่มเกิดแล้วมันมีการมวิตกหรือการมารมาสังกปะไหมครับเพื่อการใคร่ยากอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ในกระบวนการของจิต มันมีตัวอยากได้มันเป็นตัวผีตัวอะไรที่อธิบายเมื่อกี้นั่นแหะคุณก็อ่านตัวนี้ให้ได้และคุณก็จัดการกับตัวนี้ได้เรียกว่าอภิสังขารจัดการกับมันอภิสังขารตอนนี้แหละเป็นกรรมเป็นกรรมของจิตเป็นกายเป็นกรรมการกระทําของจิตเป็นมณสิกกาลหรือเป็นมณสิกโรติกําลังจัดการทําการแต่อีตัวจิตตัวอกุศลจิตตัวเนี้ตัวผีตัวนี้กําลังพยายามประหารมันโดยประหารห้า ประหารมันอยู่ประหานมันอยู่จนคุณจับได้ตัวจะประหารคือตัวกาโมวิตตกหรือมันดำบีแล้วมันก็มีตัวนี้ปรุงแต่งร่วมอยู่ด้วยเป็นตัวเหตุสมุทรไทยที่อธิบายไปผ่านเมื่อกี้แต่คุณก็กําจัดตัวนี้ได้เมื่อกําจัดตัวนี้ได้ก็ไอตักกะตัวนี้ก็สุดยอดมันเป็นวิตักกะทําให้ตัวกิเลสวิมุตทําให้ตัวกิเลสดับ ทำให้กิเลสนิโรธทำให้กิเลสไม่มีไม่มาปรุงแต่งกับจิตไม่ปรุงแต่งกับจิตก็เป็นองค์รวมของความนึกคิดหรือกระบวนการของทางปัญญาตะ ก, กาวิตะกาสังกัปปะเป็นองค์รวมของความปกติเมื่อคุณทำกิเลสนิรธได้ดับได้ไม่มีได้มันก็เป็นสัมมาสังกัปปะ แล้วมันยังผ่านกระบวนการของอัปปนาพย ป, ปนาเจตโซภิรกักคือการสั่งสมการตั้งมั่นของจิตทำมันนี้ได้แล้วยังมีพระภาวะที่คุณทําได้แล้วจะแข็งแรงได้ยังสําเร็จแล้วก็ตั้งมั่นรือยังสะสมชาญก็คือทําให้มันดับเพ่งรู้ได้เพ่งเผาให้มันละลายแล้วมันตั้งมัน่นเองถ้าตั้งมั่นได้ขนาดนึงผ่านอปปนามาแล้วถึงจะออกมาบริบูรณ์อยู่ที่วจีสังขารับ พระเจ้วิจีสังขารผ่านกระบวนการที่ดับมานิดวิจีรสังขารมันดับเพราะมันไม่ใช่วจีสังขารที่มีกิเลสร่วมมันเป็นวจีสังขารที่กิเลสดับเพราะฉะนั้นไอ้วิจีสังขารตัวนี้วิเป็นตัววิสังขารที่กิเลสดับก็คือกิเลสดับก่อนวิจีสังขารดับก่อน ถ้ามันดับตั้งแต่ตอนนี้หรือว่าทําได้แต่ตอนตักกาวิตาคสังกปะก็ต้องผ่านอัปนาพยาปนาเจโสนาถึงเป็นตัวกรองเป็นตัวสํารวจเป็นตัวช่วยทั้งพลังช่วยอีกแรงหนึ่งว่าตกลงจะไปทํางานแล้วจะสังขารเต็มรูป<น>ออกไปสู่ข้างนอกเนี่ยมันจะมีตัวช่วยตัวนี้นรังไว้ได้ไหมกิเลสจะเกิดไหมหรือไม่เกิดไหมถ้ากิเลสดับได้ด้วยก็แสดงว่าคุณผ่านทั้งสองสายทั้ง ปัญญาและเจโตแล้วก็มาเกิดเป็นวจีสังขารอยู่เมื่อวจีสังขารตัวนี้ยังไม่ส่งพลังออกมานอกข้างนอกจิตก็ไม่มีวจีกรรมก็ไม่มีทุกกรรมกรรมตักัะไม่มีมันก็ไม่ออกมาถ้ามันออกมามันก็จะทำให้วจีก็สมาวาจากรรมมัตตะก็สมาวกรรมตักะ อาชีวะก็สัมมาอาชีวะเพราะตัวมัดโนปุพังคมาธรรมาตัววจีสังขารมันมันทำสำเร็จมันเป็นตัวทําให้เกิดสัมม า, าสา ม, มาทิฏฐิเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่นี้ถ้าบอกว่าวจีสังขารดับก่อนอเมื่อดับแล้วกายค่อยดับนั่นคือเมื่อจีสังขารดับรู้แล้วว่าดับได้ผ่านมาทั้งสรบวนการปัญญาเจโตมาดับ จึงตรวจองค์รวม뇌วรกายกระบวนการทั้งหมดจึงรู้ว่าอารากายเราสะอาดหมดเพราะว่าจิตสังขารเป็นตัวสมเด็จผลแล้วส่งผลต่อมารู้องค์ประชุมขององค์ประชุมร뇌ว่ากายสังขารในจิตนั้นไปกายสังขารในจิตนั้ไม่ไม่อาจตาก็ยังอยู่กับรูปนี้ได้ครับตาก็ยังอยู่กับเสียงกับกลิ่นนี้ได้ครับแต่ตัวนี้มันดับแล้ว เพราะฉะนั้นในขณะนี้วัจจีสังขารดับองค์ประชุมก็มาตรวจอีกผ่านมาถึงวัจจีแล้วจึงว่าอ้าวทีนี้มันก็ดับตามพอกายดับตามแล้วก็จึงเรียกว่าทั้งหมดของจิตรวมเลยทีนี้สรุปทั้งรวมวัจิตสังขารดับอืเป็นการสําเร็จของจิตจิตเป็นการสําเร็จของจิตทั้งหมดบริบูรณ์ตรวจสอบแล้วทั้งวัจจีกายจิต อะไรก่อนอะไรหลังตามมาเสร็จ mm hmm. นี่คือการเกิดนิโรด mm hmm. นิโรดคือความดับแต่อาการของนิโรดเกิดในจิต mm hmm. เอาทีนี้ออกจากนิโรดคนที่เรียนรู้ว่าเข้านิโรดก็คือเข้าไปนั่งดับในจิตในสภาวะที่นั่งหลับตาสมาธิแล้วก็ดับปี พอออกจากนิ้วแก็คือเขาคลายออกมาแล้วก็ก็มารู้สึกตัวแล้วก็ก็ลืมตาออกมารู้ทางทุกอย่างเป็นกายกรรมมากับสู่สังคมปัจจุบันเหมือนเดิมชีวิตเพราะงั้นถ้าบอกว่าเขายึดแต่คําว่ากรรมอืมเขาคลายออกมาเนี่ยใช่จิตเขาออกก่อนจิตของเขาออกก่อนมนโนกรรม ออกมาจากตัวมืดตัวดําน ะ, ะออกมาม า, มารับรู้ขึ้นมารับรู้ขึ้นมาเขาออกก่อนจิตเกิดก่อนคือท่านบอกไว้ชัดว่าเมื่อออกจากนิโรธหรือพ้นจากนิโรธแล้วอะไรเกิดก่อนไอ้นี้เกิด น, นะถ้าออกจากนิโรธนี่อะไรเกิดก่อนอะไรเกิดกลางอะไรเกิดหลังถ้าเข้านิโรธนี่อะไรเกิดก่อนอะไรเกิดกลางอะไรดับก่อนอะไรดับกลางอะไรดับหลังครับ การเข้านี่เรียกว่าดับครับการออกจากนิโรดนี้เรียกว่าเกิดอืการเกิดขึ้นของจิตเพราะเมื่อเวลาเป็นจิตที่ดับทำนิโรธผ่านนิโรธแล้วเสร็จก็คือออกจากนิโรธแต่ทางสายนั่งหลับตาสมาธิดับจิตปีนี่เขาเรียกว่าออกจากความดับปีนั่นแหละออกมาจิต ก, ก็ต้องเริ่มก่อนอถูกเหมือนกันนะที่ท่านว่าไว้ว่าจิตสังขารเกิดก่อน ไอ้ดับนามวจีก่อนแล้วก็กายกายในตัวกลางใช่แล้วก็คอยจิตเลยก็จิตแต่อันนี้เนี่ยการเกิดขึ้นของการออกจากนิโรธหรือเกิดขึ้นของนิโรธเสร็จผ่านนิโรธแล้วเนี่ยจิตเกิดก่อนแล้วกายเกิดตามทุกถ้ามองอย่างทางดาบยาก็ได้แต่ยังไม่เที่ยงยังไม่แน่จิตเกิดก่อนแต่กาย กับวัจจนี่ใครจะเกิดก่อนไม่แน่อของทางดลับตานี่นะครับจิตก็คือมโนกรรมของคุณเกิดก่อนแน่นอนคุณฟื้นตื่นขึ้นมารู้ตัวในในเพราะนั้นเสร็จแล้วพอออกมาจากความมืดความอะไรแล้วคุณจะคอลอายออกมาคุณจะขยับกายก่อนก็ได้แต่บางคนไม่ขยับกายก่อนพูดก่อนก็ได้มไม่แน่นะ ของการนั่งหลับตาสมาธิหลับตาปี๊ปีปปเนี่ยพอออกจากนิโรธเนี่ยอพอคุณคลายออกมาพาคุณพูดก่อนที่จะขยับกายก็ได้เพราะนั้นกายกรรมของคุณเนี่ยเกิดก่อนก็ได้ประจีกรรมเกิดก่อนกายก็ได้มไม่แน่ครับไม่แน่ฟังให้ดีนะนละเอียดนะเนี่ยเป็นเรื่องอความลึกละเอียดมากเลย ใครไม่มีสภาวะก็ต้องตามถ้าไม่มีบรรยาลากักษานพื้นฐานเลยนี่ยากมากแต่ถ้าคนพอมีพื้นฐานบ้างตามพอได้หรืออาจจะเข้าใจดีเลยเข้าใจโอ้โหแจ้งชัดเลยนะเพราะฉะนั้นในผู้ที่เข้าใจนิโรธแบบโลกโลกนิโรธไม่ใช่โลกุตราเป็นนิโรธโล ก, กีก็จะเอากรำรจิตมนโนกรรมเกิดก่อนที่จริงถ้าไม่เรียก มโนกรรมหรอกนะท่าเรียกจิตสังขารท่าไ ม, ไม่ได้บอกว่าถามกันว่าอะไรเกิดก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้บอกว่ามโนกรรมเกิดก่อนแล้วจิตเกิดก่อนอันนี้เกิดตัวนี้เนี่ยมันมโนกรรมมันไม่ใช่จิตสังขาร hmm. อ่าเอาเถอะเขาอาจจะเทียงได้บอกว่ า, าก็เรื่องของจิตนะอาโอเคเอเมา์ไม่เป็นไรแต่ว่าพอออกมาจากดับดับมืดมืดนี่แล้วเนี่ยว่าจีเกิดก่อนก็ได้ กายเกิดก่อนก็ได้แต่ในทางถูกต้องเนี่นะลืมตาพร่งๆอยู่เลยละนิโรธตาก็กระทบรูปอยู่เนี่ยหูก็กระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นอยู่เนี่ยพอเราทาให้กิเลส ก, กระบวนการของจิตที่อธิบายไปแล้วเนี่ยมันผ่านนิโรธได้แล้วเนี่ยเออเรียกว่าเมื่อจบนิโรธเมื่อจบนิโรธอะไรคือวุฐานะสาเร็จแล้ว ก็เกิดสภาพของนิโรธเสร็จแล้วนิโรตินิโรธวุ ธ, ธานังเนี่ยวุฒานะเ น, นี่ย ค, คือก่อเกิดนิโรธนี้เสร็จแล้วหรือจะเรียกว่าออกจากนิโรธก็ได้มันทำนิโรธเสร็จแล้วมันก็ออกจากภาวะนิโรธนี้นี่ภาษามันมันสื่ออย่างนี้ <S <S จริงเลยและภาวะก็จริงเพราะมันคุณพ้นจากนิโรธได้แล้วคุณล่วงพ้นอันนี้ ม, มาการล่วงพ้นมาอย่างนี้อะไรเกิดก่อน การเรื่องพ้นเรื่องวุฐานนี่เขาบอกว่าออกจากฌานเขาบอกเป็นประเเรเเเเเเเเาเาออเเเเอเเเเเเเเเเเเเเเเเ่เยเเเเเ่เเเเเเงเเเเเเเเเอเเงเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเรเเเีเเเเเเเเเเเเเเเเรเเเายกรรเเเเเเเเเเเเเเเเเิเเเเเเเเเเเ ก, ก, กเเเเเเเเเเเเเขเเเเง ข, ข, ง ข, งบบขงเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเโรเเกิดแล้ว พอนิโรธเกิดแล้วเนี่ยอะไรเกิดก่อนจิตก็จะรู้องค์รวมของจิตทันทีวะเสร็จแล้วอืมองค์รวมของจิตนะครับว่าจิตมีกระบวนการทําเสร็จแล้วครับเป็นสังขารจิตก็นี่คือรู้รู้สักยะรู้ตัวเองรู้เท่าทันเกิดอาการรู้ภายในของตัวเองใช่ภายในเสร็จทีนี้ก็จะรู้ออกมานอกเลยทีนี้เป็นกายสังขารัรบ ทังตาหูจมูกทิ้ง ก, กายนี่เราก็รู้แล้วว่าโอ้เรานี่โรทกายก่อนวจียังไม่พูดหรอกอืมเพราะว่าไม่ได้รับตาครับใช่ไม่ได้รับตามันรู้ก่อนเลยองรวมทั้งหมดนี่ไม่ได้รับตามันประชุมกันอยู่ชัดๆเลยอ่าแล้วก็ไม่ใช่กรรมด้วยครับไม่ใช่กรรมด้วย อ, อกายจะสังขารด้วยอง์ประชุมของสังขารด้วย มันก็เกิดตามมาโอ้ทุกอย่างก็ยังยืนยันอยู่วัจีสังขารทีนี้ยังไม่เกิดวัจีกรรมก็ค่อยเกิดตามหลังยิ่งจะเกิดวัจีกรรมก็แน่นอนยิ่งต้องหลังกายจะสังขาร <ừ> ยิ่งแน่นอนก่อนกายจะสังขารครับจะเป็นวัจีกรรมเนี่ยมันต้องผ่านวัจีสังขารก่อนอ <ừ> นะืผ่านวัจีสังขารก่อนจึงจะออกมาเป็นวัจีกรรมครับ เพนั้นวัจจีกรรมจะไปเกิดก่อนวัจจีสังขารไม่ได้ไม่ได้แต่ตั้งนู้นไม่รู้เรื่องเลยว่าสังขารกับกรรมคืออะไรอ ม, มันจะเอากรรมอย่างเดียว น, นี่คือรายละเอียดที่ยากที่จะเข้าใจเดาเอาไม่ได้ครับนะเหตุผลอเอาเฉยๆก็ไม่พอครับอาจจะมีปัญญาปฏิพานดีฟังเข้าใจครับเข้าใจได้ แต่เอาอทุกที่จะเข้าใจยังไงให้คุณไปอธิบายต่อคุณอธิบายไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายหรอกเข้าใจแต่ไม่อธิบายไม่ได้ครับอถ้าไม่มีสภาว่า <c ười> อัตมาต้อตงพยายามมั่นกับสภาวนะ่านัทที่พูดเนี่ย <c ười> ใช่ครับต้องอาสภ า, าวามาอธิบายนะไม่ใช่ไปเอาภาษานะค <c ười> ถ้าเอาภาษาสับสนเลยคเพราะถ้าเอาภาษาสับสนเลยสังขารกับกรรมมันจะเป็นอันเดียวกันเลย <c ười> หยาบๆ <c ười> นี่ไม่ใชนะ่นี่มันสังขารมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นสังขารต้องเกิดก่อนกรรม ครับโดยเฉพาะวัจจิกรรมกับวจีสังขารอืมอั น, อนเดียวเลยเพราะฉะนั้นไอ้ไม่มี<ร>ดิ้นเป็นจะเป็นกายกรรมก็ได้สังขารวัจจิกมก็ได้กายกรรมก็ได้รรม ไ, ดไม่ดิ้นเลยต้องจิตเกิดก่อนแล้วก็กายเกิดทีหลังกายสังขารทีหลังแล้วก็จิตตสังขารเกิดทีหลังสุดกายต่อมาไอ้ช่วงที่เข้าเข้าถึงความเป็นตัวจิตกับกําลังจะออกเป็นจิตนะ่ะไอเนี่ยคือการการมานาสิกานเกิดขึ้น ทำจ็ใจใช่มานัสิการคือการทําใจเสร็จก็คือช่วงตรงนั้นแหละคือการกําลังทําใจในใจให้มันเสร็จสิ้นจนช่วงที่เข้าถึงกําลังเข้าถึงความตรงจิตนั่นคือตัวกําลังมานัสิกานกําลังจะทําใจในถูกไหมครับพอทําใจในใจเสร็จสิ้นสุดนั่นก็คือเห็นตัวจิตที่มันเสร็จสิ้นการมานัสิการก็สิ้นสุดของการมานสสิการเกิดขึ้นอืมอืนนั้นอาที่นี้ที่เข้าใจกันผิดอยู่ก็คือว่ามันไม่ใช่ผิดหรอก มันเข้าใจไม่ได้เลยเข้าใจไม่ได้อะไรเข้าใจไม่ได้ว่าไอ้ น, นิโรธแบบนั่งสมาธิหลับตานะี่มันก็เข้าข า, าแล้วก็ออกมากิเลสดับหรือไม่ดับไม่รู้จักตัวกิเลสเลยใช่มันจางคลายมันนิโรธไม่ได้ตามเห็นอย่างละเอียดอย่างที่พูดเลย มันจะเกิดปัญญาอานิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธาปัสสุนุปัสสีแล้วก็ทําซ้ำทำปรจเจเนิยสการุปัสสีไปอีกตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่จนสมบูรณ์คุณไม่ได้เข้าใจคุณไม่ได้เห็นตามคุณก็นิโรดนี่คุณก็นิโรดไปเฉยเฉยนิโรดดับปีไปแล้วเกิดออกมาเข้าเข้าออกออกนี่ก็คือต้องเข้าต้องออกต้องเข้าต้องออกแต่ของพุทธที่ถูกต้องเป็นสมานิโรดนี้ไม่ใช่เข้าแล้วก็ออกอย่างนั้นอืม าการอุปชติเข้าถึงสภาวะนิโรธก็่ทำการอยู่เนี่ยพอมันได้สภาวะลดลงไปได้ดับมันได้ถึงขั้นนิโรธมันก็คือดั บ, บพอพ้นจากนิโรธจะเรียกว่าออกหรือวุฒฐานะวุฒะติวัตุวัตุฒหะติอะไรก็ได้เป็นภาษาบาลีที่ท่านจะต้องแจกวิพาวิพังกันไปหลายกิริยาหลาย กาละมันมีทั้งกาละมีทั้งอาการกิริยามุญด้วยพอมันพ้นจากนิโรธลืมตาอยู่เห็นทุกอย่างอยู่อะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรเกิดความดับดับไปแล้วแต่ความเกิดขึ้นเนี่เกิดอยู่ไม่ได้ออกไม่ได้เข้ามันอยากไปดับปีแล้วก็ดําแล้วก็มืด สว่างสว่างอยู่ตลอดมีจักขุมีญาณมีปัญญามีวิชามอีอโลกามีแสงสว่างมีอะไรชัดเจนอยู่ไม่ได้เป็นดำมืดมืดอะไรที่ไหนเลยอะไรเกิดก่อนเกิดหลังรู้อย่างชาัดเจนเลยต่างกันไปหมดเลยกนณีรั่วของหลับตาบเขาบอกว่า ไอตอนที่ต้องให้ไปนิโรธหลับตาเนี่ยเขาบอกว่าให้มีการเช็คอารมณ์เขาเรียกว่าสอบอารมณ์ <c oughs> เขาก็จะถามว่าไอตอนที่นั่งเนี่ยมันนั่งเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วรู้สึกไหมก็บอกรู้สึกรู้สึกว่างไง ร, รู้สึกมันเมื่อยมันเจ็บมันปวด <c oughs> ก็ไอนี่แหละคือทุกไอเนี่ยคือตัวทุกที่มันรู้สึกเจ็บเมื่อยปวดแล้วมันพ้นตรงนี้แล้วมันพ้นยังไงก็บอกพอนั่งไปมันก็จะชาพอมันชานี่ยก็เริ่มจะหายแล้วมันก็เริ่มจะพ้นไอนี่แหละคือการศึกษาไอตรงนี้ครับพ่อ ก็ถ้ามันปวดมันปวดร่างกายผมก็เลยเถียงว่าก็ในเมื่อรู้ว่ามันทุกข์แล้วมันนั่งให้มันไปทุกข์ทำไมก็ขยับใชการู้แล้วก็ขยับให้มันรู้แล้วรู้ล่อไปซีก็เพื่อเพื่อให้มันพ้นทุกข์ไปแต่การที่จะมาให้อายตนะครบองค์เนี่ยมันมันมันไม่ง่ายที่จะมาครบองค์เขาเรียนเราปฏิสัมภารในการสอนในการเรียนของพุทธเจ้าสอนนั่นนะการปฏิบัติจะต้องรู้หมดทวารทั้ง6พร้อม วิญญาณหกอายตนะหกผัสสะหกเวทนาหกเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดับรับรับตายเ่ล่นมันจะไปเกิดเวทนาตาหูจมูกลิ้นอะไรมันมีเวทนาเดียวมีแต่มนุโนมโนมีแต่จิตตัวนั้นแหละตัวเดียวมันรู้อยู่ตัวเดียวเวทนาทางจิตเท่านั้นเองกายตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่รู้แล้วมันปิดแล้ว เพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่างนี้มันก็เริ่มต้นตั้งแต่ตั ว, ตวแรกที่ให้ปฏิบัติองค์ประชุมของกายต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ด้วยกายนี่คือทวารหาข้างนอกโพิตภัพฑ์ก็คือรวมหมดทั้งหมดนี่แหละผลิตภัณฑ์เนี่ยตามที่อุปาทายรูปภาวะรูปภาษาธรูปของภาษาทารูปโคจรรูปเนี่ยมันผัดสะกันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้ว โพธะทาตัวที่ห้าของตัวสัมผัสเนี่ยท่านถึงหักออกเป็นเหลือกเก้าตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเป็นตัวภาษาทรูปแต่เมื่อผัสสะสี่เนี่ยท่านก็หักผัสสะออกเพราะว่าตาก็ผัสสะหูก็ผัสสะลิ้นก็ผัสสะจะเรียกว่ากายก็กายทั้งหมดทุกอย่างแต่ตาหูจมูกลิ้น กผัดศัดิ์ทั้งนั้นเรือากายทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นมันก็ะซัมทั้งกระเลยบอไม่ต้องหรอกข้างนอกมันสีออืข้างนอกมันสี่แต่ข้างใ น, ม, น, นะงนมันก็อ่านเข้าไปข้างในก็ไปรู้ข้างใน ก, ก็ก็ยังไม่ต้องไปมันก็ต้องมีอาการรู้ด้วยได้ทั้งทั้งนั้นไออันนี้คนก็เข้าใจไม่ได้ว่าทําไมอุปาทายรูปมันเรือยิบสอะไรเงี้ยเอาละจะจะไปไ ป, ไปจะลึกอภิธรรมเกินไปครับก็เอาอาไว้ก่อนนะ ที่นี่มาพูดถึงรายละเอียดตรงที่ว่าคนยังปฏิบัติทำแล้วก็ยังเข้าใจว่าสภาพของการปฏิบัติที่เต็มรูปโดยเฉพาะคำว่าวิโมกแปดที่เต็มรูปวิโมกแปดเนี่ยวิโมกแปดนี่เป็นของศาสนาพุทธไม่ใช่ของศาสนาฤุสีชีไพรที่ไหนเลยไม่มีครับจะไม่เข้าใจในวิโมกแปดซึ่งเป็นความรู้ทั้งหมดวิโมกแปดนี่คือความรู้ทั้งหมดนะ พ้นความรู้วิโมกทั้งหมดนี่คือพ้นตัวเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่ใช่ไปดับสัญญาไม่ได้เป็นดับสัญญาแต่สัญญากับรู้ยิ่งรู้จริงครับรู้ยิ่งรู้จริงอย่างไรรู้ยิ่งรู้จริงก็คือการสัญญาคือแปลว่าการกำหนดรู้หรือหมายรู้ อาการของตัวหนึ่งของจิตหน้าที่ของสัญญามันทำงานเป็นตัวทาการศึกษาเป็นตัวสำคัญเลยไปดับมันเข้ายุ่งเลยดับมันเข้าในไม่มีทางบรรลุไม่มีทางบรงรลุต้องใช้สัญญาเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญาแปลว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ คือเนวะเนี่ยเป็นภาวะปฏิเสธภาคเศษอยู่ในตัวซับซ้อนย้อนยอกอยู่ทาธรรมดาใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่เนวะนี่ไม่หรือมีไม่เนวะเนี่ยเพราะสัญญาตัวที่มันยังใช่หรือไม่ใช่นี่ต้องเอาให้มันใช่บพราะตรวจให้หมดเลยให้ใช่ต้องตรวจ นาสัญญาคือสัญญาต่างๆการกําหนดสัญญาทุกสัญญาทุกการกําหนดรู้ทุกอย่างการกําหนดรู้กายกําหนดรู้เวทนากำหนดรู้จิตกำหนดรู้ธรรมกําหนดรู้ทุกอันอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่ถูกต้องหมดอะไรที่มันไม่ลงกันหมดมันจะต้งสําเร็จตัวมันเองเป็นภาวะที่หลุดพ้นเป็นภาวะที่ดับเป็นภาวะที่หมดสิ้นอะไรต่างๆนานาที่ทุกอย่างที่ท่านสอนไว้ ตรวจหมดเพราะการตรวจสอบของพระเจ้าเนี่ยตรวจสอบด้วยอรูปประชานนี่จึงเป็นการตรวจสอบของผู้ที่สูงเป็นผู้ที่อยู่ในระดับอย่างจริงๆมันก็ต้องอนาคามีขึ้นไปอนาคามีภูมินอกจากว่าคนที่มีปฏิพานดีเป็นโสดาบันสามารถที่จะใช้อนาคาเมอนาคามีภูมิหรืออรูปประชานในตรวจอากาศซาวัน วิญญาณันจา ก, กินจันและก็เนวสัญญานาสัญญาตรวจโดยมีอายตนะทั้งนั้นมีการเชื่อมต่ออยู่ระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสอยู่ครบทั้งนั้นเลยแมรุรูปฌานก็มีอายตนะครบอยู่ทั้งหทั้งหเพราะฉะนั้นเมื่อไปสัญญาผ่านอากาศคือความว่าง ความว่างนี่ลักษณะรูปเพียวๆส่วนวิญญาณนี่คือลักษณะของนา ม, มารูปอากาศนี่รูปแท้ๆในนามธรรมแหละรูปแท้ๆคือสภาวะอะว่างส่วนวิญญาณนี่คือจิตสะอาดจิตตอนนี้จิตปราศจากกิเลสแล้วนคันนี้คันอรูปเนี่ยคันอรูปฌานเนี่ยปราศจากกิเลสแล้ว ก็ดูอาการกิเลสที่มันว่างจากกิเลสมันมีคำก ร, รกิรยาเมื่อทําเต็มที่อยู่เลยมันรู้อะไรอยู่มันอะไรดูหมดรู้จนกระทั่งตรวจว่าโอ้จิตว่างจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จิตไม่มีกิเลสไป น, นี้เองท่านไม่ให้ประมาทให้ตรวจเองวันไล่อีกวที่ว่าไม่มีกิเลสมันมีเศษธุลีหมองความหมองของละอองทุลีอะไรต่างๆนะนาความหมุนอกินจัญญะนิดหนึ่งน้อยหนึ่ง ก็มันมีชั้นละเอียดละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆใช่ถ <_ poser> ้าตรวจให้ตรวจสอบนิดนึ่งน้อยหนึ่งที่มันจะต้องมีธุลีลำอองของธุลีแห่งธุลีขนาดไหนก็ตามต้องไม่มีนะตัวอากินจัญญะก็เป็นรูปคือสิ่งที่จะไม่ให้มีใช้สัญญากำหนดรู้วิญญาณในกำหนดเป็นธาตุวิญญาณสะอาดรู้สึกเองตรวจเองอาการของวิญญาณอาการของจิตอาการของธาตุรู้ตัวเอง ส่วนสัญญาเวทียตัณนิสัญญาไม่ใเนวสัญญานาสัญญาก็คือใช้สัญญาตรวจสอบทั้งหมดเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาการกําหนดซ่อนทุกสัญญากําหนดให้รู้หมดโดยเนวสัญญานัญญาที่ยังไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรู้รู้รูรู้ต้องรู้ครบเลยตรวจหมดทุกสัญญานาสัญญา เรื่องนานัตตสัญญาอัตราของสัญญาต่างๆอัตราของตัวที่เป็นเป็นภาวะที่จะต้องถูกรู้ต่างๆอัตราเนี่ยตั้งแต่ออราริกาอัตรามโนมยยอัตราอรูปอัตราต้องรู้มันนี่ครบเลยทั้งอรูปนะอัจจตังอรูปะสัญญีเลยหมดครบตรวจสอบหมดเลยรูปทุกอย่างต้องรู้หมดจนกระทั่งชัดแล้วว่า เออว่างจริงๆสะอาดจริงๆนิดนึงน้อยนี้มันมีจริงๆพ้นการไม่รู้พ้นการในวสัญญาไม่มีนาสัญญาตรวจสอบหมดแล้วจนกระทั่งหมดความไม่รู้อวิชชาอวิชชาสวะหมดอาสวะแห่งความไม่รู้ทุกอย่างรู้หมดผ่านอวิชชาสวะ จึงจะพ้อวิชชาสังโยชน์ตัวสุดท้ายเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธเป็นนิโรธที่มีสัญญาเคล้าเคลียอารมณ์เวทยิตะแปลว่าวการเคล้าเคลียอารมณ์เข้าไปทำการทุกในเวทนาในเวทนาที่จริงต้องเรียนรู้เวทนาร้อด้วยไปจนกระทั่งถึงร้อก็ตัวเทหัสิตาเวทนาเนคมาสิตาเวทนา 36เนี่ยซึ่งนีตากระทบรูปอยู่ตลอดเวลาเลยมีโลกีก็ยังอยู่โลกุตระกามีด้วยเหนืออันนี้อยู่เลยว่าผ่านทุกปัจจุบัน36 36 36 3สมอันอันเนี่ยอดีตปัจจุบันอนาคตนี่แตเป็นร0 8ต้องรู้สภา ว, ว่าว่าอ๋อตรวจสอบทุกปัจจุบันเนี่ยทำอาเซวนาภาวนาพระหุลีกำมัง ทำให้คุณทําซ้ํำทำมาให้มันเกิดผลอย่างนี้ทำแล้วทําอีกได้ผลก็ทําไปทําไปพระพุลธก็มั่งทำให้มากมากมากมากจนคุณพอมากจนคุณแน่ใจในส่วนอดีตส่วนอนาคตตามอวิชชาข้อห้ข้อหในอวิชชา8อีกมันสอนมันลึกซึ้งทําสอนพระเจ้าสอนไว้หมดครบทุกอย่างเลยจนรู้ว่าไอตัวอวิชชาข้อที่เจ็นี่ว่าส่วนอดีตและส่วนอนาคต มันศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องพยากรณ์เลยว่ายัางไงอนาคตกับอดีตของคุณศูนย์เหมือนกันอย่างมั่นใจอย่างเป็นจริงเพราะมันผ่านทุกปัจจุบันคุณก็ได้พิสูจน์ปัจจุบันทุกอย่างเป็นกิจยานเพราะฉะนั้นคุณจะรู้จบเป็นกัตยานได้เพราะคุณเห็นแล้วว่ามันแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหักล้างอสังีรังอสังกุ ป, ปังไม่ไม่มีอะไรมันเป็นไปได้อย่างนี้อย่างยืนเียงแท้แล้ว คุณก็บอกได้ว่าในอนาคตยังให้ยังไงยังเหตุปัจจัยยังไงก็ผ่านหมดแล้วนะอนาคตก็ศูนย์อดีตก็อนาคตศูนย์เดียวกันเที่ยงแท้มั่นคงนิจังทูกวังสัสตังอวิปปินามธรรมังอสังเฮรังอสังกุปังเลยขี่ฉันใต้ขี่ฉันใต้จบนะจบกิจกตยานเป็นตัวตัดสินจบอย่างนี้คือสิ่งที่ยืนยันพิสูจน์ ย่งชัดเจนแท้แท้ไม่ได้หลับตามไม่ได้ม ไ, มไดองค์ประกอบทั้งกรรมทั้งกายะทั้งอะไรจะครบหมดไม่ต้องหลับตามไม่ต้องเข้าไปหยุดที่มือแล้วก็ออกออกเข้าเข้าออกเข้าผ่านนิโรธแล้วจบแล้วไม่เดี๋ยวออกต้องเข้าอะไรอีกเลยเลยพดเลยเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าไอ้นิโรธเนี่ยนะวิสาขาอุบาสกถามท่านธรรมทินนาบอกว่าจะเข้าไงออกไงอะไรเข้าก่อนให้ดับอะไรท่านธรรมทินนาก็อธิบายบอก อนิโรธของพุนเนี่ท่านไม่ต้องเข้ามันอ อ, ออกนี่กำลังจะเข้านะจะเข้านิโรธกําลังเข้านิโรธก็กำออกนิโรธแล้วไม่ใช่นิโรธคือรู้ว่านิโรธคือการจะดับกิเลสเพราะงั้นจะเข้าจะออกจะออกจะเข้าอะไรนี่คือทําให้นิโรธมันผ่านให้มันเกิดนิโรธสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วไม่ต้องเข่าแล้วก็ต้องออกนีก็จะต้อง อ, อ, อะไรออกออก ไม่ต้องเข้าต้องออกของพุทธไม่มีเข้าไ ม, ม่ออกอย่างนั้นท่านอธิบายนี้ก่อนเลยแต่ผู้ที่ศึกษาไม่สมาธิฐิไม่เข้าใจหรอกว่าเอท่านต้องพูดทําไมไม่ต้องเข้าต้องออกแต่เวลาพูดจริงๆใช่ พ, พยัญชนะใช้ภาษาบอกว่าเมื่อที่ถามกันว่าเมื่อเข้าสู่นิโรธเมื่อบุษฐานนะเมื่อก่อนนิโรธเสร็จหรือเมื่อผ่านนิโรธไปแล้วเมื่อหลุดพ้นจากนิโรธไปแล้วเมื่อหลงพ้นจากนิโรธไปแล้ว เรื่อออกจากอาการของสเสจสําเป็นเรื่องของนิโรธแล้วอะไรเกิดอะไรเกิดขึ้นก่อนใอนที่ถามท่านก็อนุโลมตามภาษาที่เขาถามแลวก็ตอบตามความหมายที่ว่าการที่มันเกิดจบนิโรธแล้วนี่อะไรมันจิตกระบวนการของจิตอะไรเกิดก่อนอาการสังขารจิตสังขารวจีกายสังขารวจีสังขา ร, ขารอะไรเกิดขึ้นก่อนขึ้นต่อมาขึ้นหลังท่านก็นอธิบายให้ฟัง มันกกอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นสังขารต้องเข้าใจสังขารกับกรรมที่ชัดเจนด้วยคือ <c oughs> ก็เหมือนที่พ่อครูเน้นมาตลอดว่ามันต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนเข้าใจนามรูปให้ได้ก่อนอะไรคือนามคือรูปให้ได้ก่อ น, นเพราะถ้าไม่เข้าใจนามรูปให้ได้ อ, องค์ธรรมต่างๆที่มันเข้ามากระ บ, บวนการต่างๆทั้งปฏิกิรสมุทรบาทก็ดี อย่างอื่นอย่างื่ที่มันไหลไหลกันมาก็ดีเนี่ยมันจะเข้ามาแต่ละส่วนมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเข้าไปในส่วนตรงนั้นละถ้าเกิดมองรูปได้อะไรคือรูปอะไรคือนามมันก็จะมององค์ทำ ร, รายละเอียดที่พ่อสอนมาเยอะแยะทั้งอไม่ว่าจะเป็นเวทนาร้อยแปดหรืออะไรกระบวนการมันจะเข้ามาแล้วมันจะสามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้ อ, อดืตรงนี้เป็นเป็นเรื่องให<อ>่าโนมัน้อแยกส่วนย่อยส่วนละเอียดส่วนอะไรออกมาได้หมดแหละอืมนะ แต่พูดที่จะรู้อย่างนี้ได้ก็จะต้องหมายความว่าจะชัดเจนในสภาวะจิตเจตสิกรู้นิพานจิตเท่าไหร่ที่ท่านแยกเอาไว้ในอภิธรรมเจตสิกเท่าไหร่จิตเท่าไหร่อะไรนี้พุ่นต้น <c oughs> ก, ก, ก, ก, ก็ก็สามารถที่จะพอเอา菩萨ัญชนะ์ัตมานี่มันไม่ได้ไปเรียน <c oughs> ไม่ได้ท่องก็ผ่านตาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้จำไม่เจตนาจะจําเพราะมันเยอะอธิบายสภาวะนี้ไปก่อนแล้วอัตมาก็จะค่อยไปหาใ จ, จํา พยัญชนะมันภาษาบาลีมันไม่ค่อยถนัดนะเขาเ้าจจำพยัญนชนะนะมาเอาพยัญชนะมาปะคืออาตมาเนี่เป็นช่างปรุงยาเป็นคนปรุงยาที่ปรุงยาเป็นยาเอาอะไรผสมอะไรเอาอะไรมาส่วนอะไรเอาก่อหลังอะไรทำได้หมดแต่ไม่ค่อยจะเขารู้ชื่อมัน ไม่ค่อยใช้ยี่ห้อมันรู้อันนี้คืออันนี้อันนี้คือนี่ทำไปเหมือนช่างตีเนี่ยมันเรียกพศะเรียกอมันรู้มันรู้อันนี้ก็อย่าี้ี้เงี้ยเอาเนี้ยใส่อันนี้อันนี่เงี้ยอันนี้ก่อนอันนี้หลังอันนต้องอย่างนี้นีเนะมันใส่ถูกหมดออกมาเสร็จคนปรุงยาก็เหมือนกันกับลูกแต่ว่าไม่รู้ตัวภาษาเรียกอะไรอะไรต่างๆนานาเท่านั้นเองก็ค่อยๆไปท่องมาค่อยๆไปจำมันมา ก็พยยัญชนะพวกนี้เรค่อยว่า ก, กันทีหลังเหมือนในใจเมื่อกี้เลยเพราะว่าตอนนี้พออธิบายเนี่ยผ ม, ผมนึกถึงหนังสือพุทธธรรมของท่านธรรมปีด่ดกอคือถ้าผมไม่อ่านแบบแยกส่วนมาก่อนอนะครับคือมันต้องมันต้องปริยัต์อ่ะต้องปริยัติก่อนอใช่ทีนี้ไอ้ปริยัตมันเป็นภาษาชก็คือรู้ในภาษาของการปริยัตไปเหรอเพียงแค่รู้ไปอะ่ะแต่ไอ้ภาษาของการปริยัตมันไม่ใช่สภาวะ S <S ใช่ถูกไหมครับใช่แต่ในขณะที่พระพุทธองค์เนี่ยท่านเอาสภาวะเนี่ยมาเป็นภาษาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสังคมสงฆ์เนี่ยก็เอาภาษานั้นมาถอดมาเป็นภาษาเป็นลายละอักษรอีกทีหนึง่ง อ, อ่ต้องไปเกิดสภาวะแล้วก็เอามาเรียบเรียงเรียบเรียงจะจะจำต่ภาษามามันก็สับสนมันมันก็มั น, ม, น, ม, น, ม, น ม, มันไม่ตรงทีเดียวห ร, หรอกอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เหมือนที่พ่อพ่อบอกว่าพ่อเอา เอาไอ้นู่นไอ้นี่มาใส่อะคือคือผมก็มีความสุกผมรู้ไอ้ไ น, นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นน่ะแต่ไม่รู้ว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นน่ะจะมาใส่อย่างไร <laughs> มารวมยังไง <laughs> เพราะว่าการเรียนของของความที่เราบอกข้อออกมาบัตรประชาชนก็เป็นพุทธมันก็เรียนแยกไ <laughs> ปปฏิก <laughs> สมุดบันโอ้ทองกันได้ดีจังเลยนะทำองคทำนู้นองคทำนู้นนะจะพปถึงเวลาว่าดีแต่ปากก็คือติดที่ภาษาแต่ไม่ได้รู้ว่าไอ้ภาษานั้นจะเอาเข้ามาสู่กระบวนการในการปฏิบัติแล้วมองมันเห็นเป็นได้เช่นไร ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็จะรู้ว่ารูปแบบปัจจุบันนี้ที่พ่อจัดรายการก็คือว่าจะเปิดโอกาสให้ถามเปิดโอกาสให้ถามให้ทั้งสรุปทั้งสมณะสรุปก็ได้แสดงความเห็นก็ได้นะครับก็เลยอาจจะเป็นช่วงท้ายๆนะท้ายแล้วเนี่ยมันเหลืออีกครึ่งชั่วโมงผมก็เลยเกินนำมาก่อนนะครับว่า จะได้ให้เปิดเวทีนี้นะครับว่าให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ซักได้ถามเพราะว่าผมคิดว่าวันเนี้ยผมเหมือนเหมือนมาเรียนอิสระกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่เหมือนทวนอะไรกับทว น, ว น, วนแล้วก็ให้เห็นครบองค์จนหมดเลยว่า อ, อะไรมันคืออะไรนะครับคือถ้ามองถึงหนังสือถ้ามองถึงหนังสือพุทธธรรมนะของท่านธรรมปิฎกจะเห็นว่าผมพูดตั้งแต่บทที่หนึ่งนะฮะจนถึงบทสุดท้ายพ่ออธิบายสภาวะความเป็นบทที่หนึ่งก็คือเรื่องของ ชีวิตกับโลกเนี่ยคืออายตนะทั้งหมดเนี่ยครับเป็นยังไง mm hmm. จนถึงสุดท้ายขั้นสุดว่าเราจะอยู่บนโลกนี้ยังไงและอยู่อย่างไรและเป็นเช่นไรก็คือการเป็นเช่นไรสุดท้ายก็คือการเข้าสู่ความเป็น อรหันนั่นเองนั่นคือวันนี้เหมือนจะครบหมดเลยก็เปิดอาตมายังไม่ได้อ่านทุกทีเราพุทธธรรมถือไปแล้วก็มันใหญ่ใหญ่แล้วมีไว้ที่ในห้องในตู้ก็มีแต่ยังไม่ได้อ่านขออภัยจะพูดไปแล้วก็ขายขี้หน้าตัวเองผมมีนัสามเล่มเลยครับก็เปิดครับเชิญเลยครับก็นะครับเราจะได้ช่วยกันเชิญเลยครับคือเราจะให้คารวะนะราวาะก่อนแล้วก็ค่อยศิคราช สมณะที่หลังนะอ้าวเามื่อกี้ใครยกมือเอาเลยเอาไมโครโฟนไปถึงมืออ่าบอกชื่อก่อน <c oughs> ยกมือว่าใครจะไอ้นั่นเอายกมือมาก่อนเลยพระส่อ<ท>อ่าเอาขออกายอา้าวใครผมวิเชียนเรื่องสี่ครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้ฟังพ่อท่าน <c oughs> เปิดประเด็น <c oughs> เรื่องของฟาร์มยึดมั่นถือมั่นกับการไม่ยึดมั่นถือมั่นผมเป็นคนเรียนน้อยนะครับมีอะไรตกหล่นเพราะท่านก็ช่วยเสริมเอาท่านน่าดีแล้วเพราะท่านก็บอกว่าเขาที่เขาพูดกันให้ปล่อยวางปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นมันก็เป็นมันไม่เข้าหลักของสังโยชน์สาม ก็สังโยชน์เนี่ยมันเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานของคนปฏิบัติในในการปฏิบัติแบบแบบพุทธนะครับได้มากวัดเลยฉะนั้นการที่จะรู้ว่าเรายึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นเนี่ยเราต้องรู้สกายะรู้อัตตาของเราที่มันเป็นตัวหยาิใหญ่ถ้าเรารู้สกายะแล้วเนี่ยแสดงว่า เราต้องมียานอ่านจิตเป็นอ่านองค์ประชุมเป็นเรียกว่าถ้าเราเข้าใจสักยะของเราเราก็ต้องมีหลักปฏิบัติมีศีลเป็นเครื่องชาระเมื่อเราเห็นสักยะของเราเนี่ยสามารถปฏิบัติจนมันลดลงได้เห็นความจางคายได้มีอนุปสีอ่านเห็นถึงความให้เที่ยงเห็นความจางคลายจนเห็นความดับเราก็จะพ้นวิจิกิจฉา และก็พ้นสิริปตะปรามาอย่างนี้แสดงว่าอันนี้ล่ละเราจะพร้นมจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอทีนี้ในตัวตนที่เป็นนิโรธเพราะท่านก็พูดถึงนิโรธก็มีการพูดถึงการเข้านิโรธออกนิโรธก็ถามว่าในการเข้านิโรธเนี่ย อะไรดับก่อนอะไรดับต่อมาแล้วก็อะไรดับสุดท้ายวันนี้ได้ฟังคำใหม่นะครับเพราะท่านบอกว่าวจีสังขารดับก่อนแล้วก็กายสังขารดับตามแล้วก็จิตสังขารดับเปไปลาดับต่อมาสิ่งใหม่ที่ได้ฟังวันนี้ก็คือก็คือคำว่าวจีสังขารเนี่ยมันก็คือกิเลสเมื่อกิเลดับองค์ประชุมมันก็ดับ จิตสังขารมันก็ดับที่องค์ประชุมมันก็คือเรามีวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์มีผลหรือธรรมวิจัยมีผลเนี่ยมันก็คือทําให้กิเลมสมันสงบระงับ อ, องค์ประชุมของกิเลสมันก็ดับจิตที่เป็นกิเลสมันก็ดับแล้วก็เมื่อออกจากนิโรธอะไรออกก่อนอะไรออกตามมาก็คือจิตออกก่อนส่วนกายกับจิตมันไม่แน่ อาจจะกลายออกก่อนก็ได้กลายกับว่าจีขออภัยครับกลายคำว่าจีอะไรออกก่อนก็ได้้าเป็นกรมรมแต่นในคว<ำ>ามเห็นของผมนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวมันน่าจะเปอร์เซ็นต์ของกลายออกก่อนจะมีมากกว่าเพราะคนที่จะออกมาพูดเลยมันต้องต้องดุลดันมาอย่างแรงถึงจะพูดก่อนอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็สรุปที่พ่อท่านพูดมานะครับอาจจะไม่ครบทั้งหมด แต่ก็พยายามตามเนื้อหาสภาวะคิดว่าสภาวะนี่ก็พอมีอยู่บ้างก็ฟังธรรมะนี้ก็ได้ประโยชน์มากครับขอบคุณมากครับคือที่ว่ากายเกิดก่อนวัจจีวัจจีเกิดก่อนก็ได้นั่นอนะ่ะมันเป็นกรรมที่เขายายความแล้วเมื่อกี้ว่าเขาคิดคนเดียวากายกรรับวัจจีกับอะไรเกิดก่อนได้เนะี่ยมันคือเป็นกรรม แต่ถ้าสังขารแท้ๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จะประเกิดก่อนกันกายกับวจีจะต้องเป๊ะเลยว่ากายต้องเกิดก่อนรวิจีต้องเกิดทีหลังในเวลาที่มันพน้ น, พนจากนิโรธแล้วพ้นจากนิโรธแล้วจะต้องรู้กระบวนการของสังกปปะเจตจริงๆเลยจะรู้ว่ิจีสังขารเนี่ยมันอยู่ยังไงและกระบวนการของการเกิดวจีสังขาร ก็ต้องรู้อาการของกายสังขารหรือจิตสังขารในขณะนั้นเพราะถ้ากายสังขารเนี่ยมันจะต่างกับจิตสังขารตรงที่ว่าถ้าจิตในเขามุ่งไปหาในอถ้ากายในเขามุ่งมาหานอกชเพราะฉะนั้นกายสังขารก็ต้องมุ่งมาหานอกอืมันจะเกิดก่อนเกิดหลังวิจีสังขารเนี่ยกายมุ่งมาหานอกนอกมันจะรู้ก่อนเลยอ มันจะตรวจก่อนเลยเพราะจิตทำจิตเนี่ยทำทำจิตตะสังขารให้มกิเลสดับแล้วก่อนมันออกพ้นไปแล้วก่อนเนี่ยจิตตสังขารมันขาดก่อนแล้วเนี่ยพระองค์ประชุมของตาหูจมูกดินกายเนี่ยก็จะรู้ชัดเจนเลยก่อนที่จะไปจัดการเมื่อเราอธิบายอีกทีหนึ่งในกระบวนการของตักกะวิตกะสังคปะค อปปนาพยปนาเจตโสพิณรปนาแล้วก็ถึงจะเป็นวิจิสังคารานะีกรบะบวนการของมันนี่องประชุมทั้งหมดเนี่ยรวกเมื่อเราพิจารณาข้างในเราเรียกว่าจิตสังขา ร, รเพราะจิตสังขารนี่ยทัพิจารณาข้างในทำข้างในมณสิการข้างในให้จิตมันดับก่อนครับเพราะมเมื่อมันจิตมันดับแล้วมันก็เคลื่อนมาผ่าน อปนาพยปนาเจตสเป็นลมปนาผ่านเครื่องกรองอ่าผ่านเครื่องกรองจึงจะมาสําเร็จอยู่ที่เวจีสังขารครับเพราะการดับจะต้องคําตอบอยู่ที่เวจีสังขารดับอืมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวองค์ประชุมทั้งหมดรู้จิตสังขารและองค์ประชุมทั้งตางหจูจมูนกนิ้วนี้ยังต้องรู้ว่าเวจีสังขานี่ดับครับมันดับแล้วมันมันเกิดผลเจ็ตัวในตัวที่ ประจีสถานตัวที่เจ็ดเนี่ยสมบูรณ์แบบคือนิโรธสําเร็จอืมครับนี่คือดับก่อนครับแล้จึงมาดูอ้าวแล้วก็ตรวจหยาบก่อนถึงจะไปตรวจละเอียดครพุทธต้องตรวจยาบก่อนแล้วถึงตรวจละเอียดเสมอเพราะฉะนั้นกายนี่คือองค์รวมเสมอตรวจเสมอมันถึงจะเกิดในเวลาผ่านนิโรธจะดับแล้วก็อะไรดับก่อน พอดับแล้วอะไรจะเกิดก็กายอยู่ตรงกลางเท่านั้นแหละองค์ประชุมหยาบนะเพราะฉะนั้นอันหลังนี่เมื่อดับแล้วเสร็จแล้วจิตพอเสร็จหมดแล้วก็คือองค์ประชุมของจิตสังขารเสร็จก็ถือว่าองค์ประชุมของจิตสังขารจัดการอภิสังขารเรียบร้อยสมบูรณ์ศูนย์ครับเสร็จแล้วก็จึงมาดูก็จึงมาพิจารณารอบ ว่าคุณจะก่อกรรมอะไรครับก่อกรรมแล้วจะก่อกรรมอะไรผ่านไอ้ตัวตรวจสอบแล้วเป็นวจีสังขา ร, ร, ร, รแล้วถึงจะปล่อยตัวนี้ออกมาทีหลังเพื่อนออกมาเป็นว จ, จีกรรมออกมาเป็นกรรมกรรมมันต่ออกมาเป็นอาชีวะก็ปล่อยตัวนี้เป็นตัวปลายว จ, จรรีสังขารเนี่ยเป็นตัวสาเร็จแล้ว แต่ครั้งแรกมันต้องทําก่อนทำวิจีสังขารให้สะอาดก่อนจนผ่านตัววตตะกัวิตกัสังกปะเป็นปัญญาและก็ผ่านตัวกรองอัปปนาพยมาเจโปรูปน า, ปนาไปอา้าวสำเร็จจนสําเร็จครับอ่าจนสําเร็ จ, จ, จก็แสดงว่าสำเร็จเสร็จมันก็จะจบอยู่ทีหลังเมื่อจะใช้งานครับผมได้มองต่อพระครูเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราได้ฟังธรรมสัสตตบุรุษเนี่ยมันก็เป็นคำตอบอย่างชัดเจนอย่างกละไกเมื่อกี้ว่าวจีกรรมจากสตัตบุรุษเนี่ย<ม>ก็คือเป็นวจีกรรมที่มันเป็นสัมม า, าผ่านการกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านพีสังข า, ารขาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นจึงทำให้หลักของการที่ถูกกำหนดไว้ว่าเราเนี่ยควรจะฟังฟังสตัตบุรุษ ก็เพราะเหตุตรงนี้แหละเป็นการอา ธ, าธิบายเสร็จว่าทําไมต้องฟังธรรมจากสัตตมุรุษก็เพราะว่าสิ่งที่สังขารออกมาสิ่งที่ที่ได้แสดงออกมาจนถึงขั้นเป็นวจีกรรมตัวกรรมออกมาแล้วเนี่ยเป็นสัมมาอย่างแท้จริงเพราะกละไกลที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยใช่อืครับถ้าวจีสังขารไม่บริบูรณ์ครับวจีกรรมก็ไม่บริบูรณ์ก็ไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลาหลายครั้งที่เวลาพ่อถาอ ธ, ธิบายอะไรบางอยา่างพ่อจะบอกว่า อาจจะมาพ่อจะขอโทษขอโทษอยู่เสมอคําที่ออกมาเนี่ยในบางในบางครั้งเนี่ยพ่ออาจจะบอกตัวพ่อเองว่าพ่อเป็นคําที่ชัดหรือแรงชัดหรือจัดใช่จะขออนุญาตมันรู้ก่อนที่จะพูดคำพูวจีออกมาวจิกรรมออกรรมามันรู้ตั้งแต่วิจิสังขารของเราเองเนะพราะเราเราเร า, เรารู้อยู่ใน ใ, ในกลไกาภายในใอยู่ทีนี้ในวจีสังขาราองเมาจะออกมาเนี่ย มันถึงขั้นมีสัจจ า, า, น, า น, นุรมิกายานมีญาณอนุรมแม้เราจะสะอาดแล้วแต่เราจะอารมณ์มาให้ปรุงแต่งร่วมโดยมีการอนุรลมเหมือนกับเราร่วมปรุงแต่งกับข้างนอกเขาหรือว่าเอายอมให้มีกิเลสร่วมข้างนอกเขาก็มือกับเราเอาคนจะทํากิเลส อ, อย่างนี้ได้เราก็ไปกับเขาถึงอธิบายไม่รู้กี่ที่ยกตัวอย่าง เหมือนเราก็เล่นมาขาวหมาแก้งกับลูกๆอะไรนี่ก็เออจริงๆจังๆแต่ใจเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนก็รู้ไม่ออกว่าเอาอ น, นี่มันกรรมกิริยามันเล่นเหมือนเด็กเมันก็เด็กๆอนี้มันไม่ใช่ผู้ใหญ่อะไรเลยอะไรเงี้ยเขาก็บาไปเพราะว่ามันมันจะเป็นเครื่องเครื่อ ง, เ ค, องเครื่องมือในการคิดอีกด้านนึงในเชิงบัญญาต่อการที่ไม่ต้องมาวิจิกิจฉาต่อคําสอนของพระหูสูตรหรือแม้แต่วิจิกิจฉาต่อคําสอนของพระพุทธองค์ คือผมมาขยับมาถึงสังโยคข้อที่สองถูกไหมครับมันก็เลยจะทําให้เราได้รู้ว่ามันก็ต้องไม่ต้องมาขยับในเรื่องของขั้นที่สามอีกเรื่องในเรื่องศีลปฏิปุพามาตอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเป็นเป็นเรื่องของของกรรมของการกระทําในเรื่องศีลไม่ใช่เป็นเรื่องของการลูกคําศีลแหะแต่วัดที่ปฏิบัตินั้นก็จะเป็นวัดที่ผ่านกระบวนการเป็นสัมมาสัมมาอย่างแท้จริงแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นกระบวนการของของการที่เรียกว่า เสแสร้งหรือสร้างให้มันเป็นว่าวัดที่ปฏิบัติออกมานั้นให้ดูดีแต่แท้จริงแล้วมันเป็นสัมมาของวัดจริงๆเป็นศีลที่แท้จริงมีใครถามต่อไหครับมีใครจะถามต่อไหมครับพอดีผมช่วยอธิบายจิตมัมองไม่เลยเชิญเลยนะครับข้างหลังเชิญครับเอาเลย คารวาสมีใครเอาก่อนเนาะไปถึงสิกรรมาตแล้วนะอ่าคาเงียบเลยนะอ้าวไม่เป็นไรไมีอ้าวเอาเลยป่ะไม่เป็นไรสิครมาตก่อนก็ได้เอาอ่าใครอ้ออ้อออกาอสารค่ะพ่อท่านค่ะดิฉันป่าฝนฟ้าค่ะอืมค่ะ การที่ฟังพ่อท่านมาเรื่องเรื่องตัวยึดนี่ค่ะการที่เราจะล้างตัวยึดได้อันดับแรกนี้เราต้องรู้ว่าต้องรู้ให้ทันสังขารวัจีสังขารของเราใช่ไหมคะนั่นแหละไม่รู้วัจจีสังขารแล้วทําให้วัจีสังขารมันสะอาดได้มันก็คือการวางหรือการปล่อยกันไม่ยึดเมื่อการไม่ยึดป็นไปเพศอเอาเพิินไม่รู้จักจิตเจตสิกจริงจริงเนี่ยมันเป็นการทํา เพือิ่มมันผ่านเป็นต ก, กะเป็นเหตุเป็นเหตุเ ป, เ, หตเป็นผลเป็นตั ก, กะเฉยๆมันไม่ได้เข้าไปถึงปรมาติไม่ถึงติจิตเจตสิกแล้วก็รู้แจ้งรู้จริงตัวนั้นตัวนี้จริงอย่ยยอางที่อาตมาอธิบายค่ะในทีนี้พอพอเรารู้แล้วเนี่ยการที่เราจะทําได้เร็วได้เร็วคือดับวจีสังขารได้เร็วเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการสั่งสมทําแล้วทําอีกคือต้ทำทำบ่อยๆใช่ไต้อง แล้วมันถึงจะชํานาญใช่แล้วเราก็จะเกิดยานปัญญาค่อยเห็นก็ค่เข้าใจละเอียดขึ้นเห็นตัวชัดขึ้นคนตัวอะไรแต่มันค่อยคเห็นตัวมันจริงขึ้นเพราะงั้นเรื่องนี้นี่นะอาตมาเองอาตมาฟังพูดที่ท่านแปลสภาวะแล้วก็มาเป็นภาษาแปล อ, อย่างพูดที่จะอธิบาย วิโมกแปดก็ดีอธิบายการสังขารต่างๆของอภิสังขารก็ดีที่ท่านแปลอภิสังขารเป็นต้นท่านแปลอภิสังขารปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนีนชาอภิสังขารเนี่ยท่านผู้รู้ท่านก็ไปแปลโดยการคาดคะเนหรือว่าการประมาณเอาพยัญชนะมาเป็นหลักเช่นว่าท่านแปลว่า ปุญญาพิสังขารนก็แปลว่าสังขารหรืประพงแต่งหรือจัดการกันนี่นเป็นบุญให้จิตเกิดบุญเพราะบุญมันก็บอกจะชาละปุญญาพิสังขารเพราะอัปุญญาพิสังขารก็ไม่เป็นบุญอัแปลว่าไม่ท่านก็แปลภาษีตามพยัญชนะว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบุญท่านก็ตีความมันก็เป็นบาปไม่เป็นบุญคือเป็นบาปเพราะงั้นอปุญญาพิสังขารท่านใดแปลอปุญญาว่าบาป อาตมาก็รู้เลยทันทีว่าท่านไม่เข้าถึงสภาวะไม่รู้จักโล ก, กุตระไม่รู้จักอภิสังขารที่แท้เพราะว่าการจัดการกับจิตอภิสังขารคือการสังขารคือการจัดการกับจิตถ้าอภิสังขารคือการจัดการกับจิตได้ขั้นสูงก็คือขั้นโล ก, กุตระขั้นปรมัตต์การอปุญญะแปลว่าไม่ไม่ต้องปรุนแล้ว ไม่บุญก็หมายความว่าไม่ต้องทําบุญอีกเมื่อไม่ต้องทําบุญก็หมายความว่าหมดบุญหมดบาปอ <h> หมดบุญหมดบาปไม่ได้ห ม, มายความว่าทําบาปครับ <h> หมดบุญหมดบาปเนี่ยมันไม่ต้งมีบาปให้ทําอีกด้วยมันเป็น เ, เป็นบาปด้วยมันหลุดพ้นทั้งบุญทั้งบาป <h> เลยว่าส <LM. S 2> ิ้น mm. สิ้นบาปเป็นปุญญะปาปะ ป, ป, ปริคีโนเป็นการสิ้นปริคีโนคือการสิ้นทั้งบุญสิ้นทั้งบาปอะปุญญะเนี่ยเป็นของ ถ้าบุญญาพิสังขาี่นเป็นภาวะปฏิบัติภาคปฏิบัติของเซขะบุคคลของพระอริยะที่ยังไม่ถึงขั้นดับสนิทสิ้นะสิ้นบุญสิ้นบาปอะบุญญาเป็นของพระไออะเซขะเป็นขั้นอรหัตผลเป็นขั้นของอรหัตผลเป็นผลของอรหันต์มันไม่ต้องทําบุญเพราะมันถึงนิโรธมันดับได้แล้วเพราะดับได้แล้วมันไม่เกิด ดับมันก็คือไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องล้างก็ไม่ต้องทําอีกไม่ต้องมีนะก็ต้องรักษาผลนี้ อ, นะอนุรักษณาประธานหรืออาเสวนาภาวนาพระริกมังหรือทําเพิ่ม ท, ทําทวนทําซ้ําทั้งกาละสาเวทนาสามเวทนาสามเจ็ดหกสาเสามสามนะเพื่อสังสมอเนจาพิสังขารเพราะสังขารทั้งสมอย่างนี้ สร้างอันหลังอันเป็าพิสังขารเลยสร้างความไม่หวั่นไหวของจิตก็คือสร้างความตั้งมั่นของจิตสร้างให้จิตแข็งแรงมันคนจนเป็นนิจังทูวังสัสตังมันเป็นคุณสมบัติของโลกุตระในอภิสังข า, ารสามเนี่ยเมื่อท่านผู้ใดไปแปลอะบุญญาพิสังขารว่าบาปผู้นั้นก็ไม่รู้จักคําว่าบาปกบุญนะไม่รู้จักบาปกบุญบุญเป็นเครื่องชําระเป็นการชําระ ชำระกิเลสแท้เมื่อชำระหมดแล้วกิเลบาปนี่คือกิเลสมันหมดกิเลสแล้วมันไม่มไม่ต้องมีกิเลสอีกแล้วมันไม่มีบาปอีกแล้วสัพพะาพาปัสสการณังทําอะไรเองมันก็ไม่มีบาปแล้วสัพาพะาไม่เป็นบาปแต่ทํากุศลได้กุศลสูปบาสัมภธาเพราะจะทํากรรมต่อไปอีกมีแต่กรรมดีแต่บาปบุญไม่ต้องอภิสังขารอีกแล้ว อภิสังขารก็มีแต่จะสั่งสมให้มันมั่งคงขึ้นเป็นอเนจาอภิสังขารมีอาการสั่งสมหรือว่าอนุรักษนาประธานมีแต่การรักษาผลให้มันยิงย่งยิงย่งยิ่งยิ่งยิ่งยิ่ง่งขึ้นไปอย่างเดียว <P. S 2> เพราะฉ<ร>ะนั้นในอสิ่งที่เกิดจากที่ว่านี่ที่อธิบายซ้ําอธิบายขยายอธิบายเพิ่มให้ฟังเนี่ยมันละเอียดอย่างนี้ กอพ่าข อ, อคุณพ่อท่านมากครับวันนั้นฟังพ่อท่านที่พ่อท่านเทศราชธานีโศกนะคะก็ได้ยินคือคื อ, คอมีความรู้สึกว่าเออตัวเองได้รู้ได้รู้ใหม่คาว่าอะไรดับจะดับก่อนวัจจีสังขารดับก่อนกายสังขารแล้วก็จิ ต, จตสังข า, ดารดับตอนนั้นมันเข้าใจเข้าใจพอดีอาจารย์อาจารย์มาขยายความคำว่าวัจจีกรรมคือแอคชั่น ก็เลยเข้าใจอ๋อวันนั้นเราเข้าใจเป็นวัจีกรรมแอคชั่นก็เลยวันนี้พ่อท่านมาขยายก็เลยเข้าใจได้มากขึ้นค่ะกราบขอพรอคุณมากค่ ะ, ะแล้วก็ อ, กอีกอีกเรื่องหนึ่งที่สงสัยอะค่ะคือพ่อท่านเทศเกี่ยวกับบิโมกแนี้เข้าใจนะคะเพื่อที่จะเอาความรู้สัญญาณอะไรพวกนี้มาตวรวจสอบในสภาวะที่เรามีใช่ไหมคะอันนี้ให้ตวรวจสอบ ในสภาวะที่ที่เราลดกิเลสได้แล้วเราเออตัวนี้มันหมดหรือยังอะไรยังไงตรงนี้แต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อท่านเอาสัตวะสัตว 9, เออวิญญาณถีติเจเนี่ยมามาสอนพวกเราเออมันเกี่ยวอะไรคือคือมันอะไรไม่รู้หลายเรื่องดิฉันก็เลยไม่จำดิฉันก็เลยเออเราฟังวิโมก8นี้ก็ ก, ก็รู้ แต่ไม่ทราบว่าเออทาไมพ่อท่านเอาสัตววาเก้ามาสอนนะเจตนาอะไรก็กายไงไอหมกแปตัวสัมผัสไอโมกแปดด้วยกายก็ไอตัวสัตววาเก้าก็วิญญาณทิฏินี่มันคือกายกับสัญญาเท่านั้นคุณจะต้องกําหนดสัญญากําหนดกายให้เป็นสัญญาคือยังไงกายคือไงสัตว์ว่าก็ต้องกายต้องเรียนรู้กายในสี่กายต้นวันเป็นกาย ในวิญญาณทิติก็เหมือนกันเพราะงั้นถ้าคือเป็นดับวิญญาณซะแล้วไม่ให้วิญญาณไม่ให้มีธาตรู้โดยที่ว่าตาไม่กระทบรูปหูไม่กระทบเสียงก็คือไม่มีวิญญาณแล้วคุณก็ก็เป็นมีแต่จิตอยู่ข้างในไปบีมโนอยู่แต่ข้างในไม่มีวิญญาณคุณก็ปฏิบัติอยู่ในงนั้นน่ะมันครูคือก็ดับเป็นอสัญญีสัตว์มันก็เป็นสัตว์ครบครบอยู่นั่นแหะคุณก็ได้แต่ความเป็นอสัญญีสัตว์คุณจะไม่รู้จักกาย เพราะว่าคุณเองคุณไม่ได้รู้ตาหูจมูกดิ้นกายไม่รู้จักสักกายคุณไม่ได้เริ่มต้นที่พวกนี้เลยคุณไปปิดกายไป ห, หมดเลยนะเพราะฉะนัะ้นถ้าคุณไม่เรียนรู้กายกายมันเป็นยังไงมันต่างกันมันไม่เหมือนกันถ้าไปเข้าใจมิจฉาทิฐิคุณก็จะเข้ากายอย่างเข้าใจกายอย่างนึ่งคุณจะได้ปฏิบัติแล้วคุณก็จะได้กายแบบหนึ่ง เมื่อคุณไม่รู้จักไม่เปิดตาให้เป็นกายได้สมบูรณ์แบบทั้งตาหจูจมูกทิ้งกายครบหกทวาร<ม>คุณไปอยู่แต่ข้างใน<ม>คุณก็ดับได้อีกคุณก็ไปดับสัญญาดับเวทนาเ<ม>ช่นเดียวกันที่พูดใดก็แล้วแต่ที่แปลสัญญาเวทยิตาเนี่รูแเลยว่าดับสัญญาดับเวทนา<ม>ดับสัญญาดับเวทนาเนี่ยเสร็จอีกเหมือนกัน ม, มันก็คือดับสัญญาก็เป็นอสัญญีสัตว์คุณก็ได้แต่กายของอสัญญีสัตว<ม>์ที่ดับ ปี้เป็นสุภกินนะฮะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมดับดำดำกินนื้อหาแปลว่ามีแต่ความมืดดำอยู่เปี้นในโลกขอคุณดำอย่างนั้นซึ่งมันไม่สว่างมันไม่เป็นตัวมีดวงตามีจักขุมีญาณมีปัญญามีความรู้มีแจ้งนิโรธแจ้งแจงนิโรธเป็นสัจจิกะตะวะไม่แจ้งคุณไม่แจ้งนิโรธคุณนิโรธคุณมืดคุณไม่รู้เรื่องเวลานิโรธคุณมีแตด่ดำกับดำมีแต่กินนื้อหา มันไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดยังไปแปรสัญญาเวทิจิตนิโรธอีกเหมือนกันว่าดับสัญญาดับเวทนาก็แสดงว่าผู้นี้ไม่รู้จักโลกุตระของพระเจ้าไม่รู้จักตัวนิโรธของพระเจ้าที่แท้จริงที่เป็นสมานิโรธไม่ใช่นิโรธแบบโลกีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับคําว่ากายอื ถ้าไม่รู้จักคำา ก, กายจะไม่รู้เลยว่าไอ้อย่างมิจฉาทิฏฐิกับสมาธิมันต่างกันจึงได้ว่า ก, กายต่างกันสัญญาต่างกั น, นเพราะฉะนั้นวิญ ญ, ญาณทิฏฐิข้อที่หนึ่งหรือสัตววาทข้อที่หนึ่งเนี่ยที่เอาวิโมกมาเกี่ยวข้องกับพระวิโม ก, กํากับเลยว่าจะต้องมีความรู้ในวิโมกแปดวิโมกแปดในมีทั้งสัญญาเวทีจิตะนิโรธส่วนวิญ ญ, ญาณทิฏฐิเจ็ด กับสัตววาด9้าเนี่ยไม่มีสัญญาเวททยิตนิโรุธเลยถ้ายิ่งสัตววาด้ก้าวนี่คือสัตว์ครบขบวนการ9อย่างเลยเพราะฉะนั้นตะขืนไปดับแบบนิโรธุธมันก็จะได้สองอย่างนิโรุธสองอย่างนิโรุธโลกุตรานั่นลืมตาส่วนนิโรุธที่หลับตาก็จะไปได้อีกสองอย่างเหมือนกันคือจะได้อสัญญีสัตว์กับเนวัชัญญานาสัญญาญตนาสัตว์ ความเป็นสัตว์วาด์เก้าสองตัวเนี้ mm hmm. ในวัชยานาสัญญายาเตนาสัตว์นี่ก็คืออรูปฌานแบบโลกีอรูปฌานแบบนั่งหลับตาแล้วก็ไปดับจิตเหมือนกันเหมือนอุทกดาบทจิต mm hmm. ได้สูงกว่าอารานดาบทจิตสูงกว่าอากิ น, กนจัญญายจตนาฌ <Okay. S 2> านเพราะว่าฌานหรือสีหรือฌานที่ไม่ใช่พุทธมันก็ไปดับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นสัตว์เป็นสัตว์โลกอยู่ยังคุณยังไม่ mm hmm. พ้ความเป็นสัตว์คุณยังไม่พ้นสังโยชน์ พนสังย่อนนี่คือพ้นความเป็นสัตว์แต่คุณไม่พ้นความเป็นสัตว์หรอกคุณก็จะอยู่ตรงนี้เพราะคุณไม่รู้องค์ประ ช, ชุมหรือกายนี่คุณไม่รู้องค์ประชุมคนนอกในอะไรสมบูรณ์แบบอย่างที่อาตมาอธิบายจน<ม>อาตมาคุณจะต้องอธิบายไปจนตายไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้นะ<ม>เพราะว่า<ม>ต้องเรียนกันในระดับ<ม><ม>ต้นก็ต้องเรียนกลางก็ต้องเรียนปลายก็ต้องเรียนเนี่ยที่อาตมาพูดเนี่ยต้องเรียนไปอย่อาตมาจนกระทั่งถ้าอาตมาอายุถึงร้อยกว่าอ อาตมาก็จะต้องอธิบายพ่องนี้ไปซ้ำท่าบนเวียนอยู่นี่แหละซึ่งอาตมาจะไม่เบื่ออาตมาจะไม่ทอ้อเพราะอาตมาเข้าใจว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายมันละเอียดลึกซึ่งเพราะฉะนั้นคน<ม>ที่เขค่อ ย, ค อ, ยคอยเรียนไปจนเขาตั้งตัวเองได้เขเออเขค่อยรู้ขนาดรู้ขนาดได้ธรรมดาสามัญผู้ที่ได้เป็นอริยะอริยะแล้วเจโตทําได้แต่จะมีนิรุตติปฏิพานอธิบายเหมือนอย่างอาตมาได้เนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่าย จะเป็นปฏิสพิทายานมาสามารถมีนุรติปฏิพานร้อยเรียงอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังเนี่ยไม่ง่ายขออาภัยไม่ได้อวดตัวอวดตอนอะไรหรอกนะต้องขออภัยกันเสมออาตมามันเหมือ น, นกับคนมาแบ่งตัวเองอวดว่าใหญ่ว่าวิเศษว่ารู้มากมันก็จริงๆแล้วมันก็น่ามันไส่จริงๆแต่อาตมาก็เข็นใจอ่ะไม่รู้จะทํำยังไงอาตมาเลี่ยงไม่ออกที่จะต้องพูดอย่างนั้นนะสรุปได้คุณถามว่าทำไมจะต้องเอากายมนเกี่ยว คุณไม่รู้จักกายตัวนี้ก็สัตวกกาย ต, ตัวแรกคุณก็ยังไม่รู้เลยรเพระอาจารย์คุณก็จะเป็นสัตตว์ตัวที่หนึ่งหนึ่งตัวที่หนึ่งนี่แหละเป็นสัตว์ตัวที่หนึ่งเป็นมนุษย์ปุตุชนทั่วไปในโลกเลยไม่รู้กายต่างกันสัญญาต่างกันทุกคนเลยคุณจะไม่รู้จักกายเลยสัตว์นรกก็ต่างกันมีองค์ประชุมต่างกันคุณสัญญากําหนดกําหนดไปต่างกัน กายต่างกันสัญญาต่างกันหมดเลยในในในกายในวิญ ญ, ญาณทิฏฐิข้อที่หนึ่งตรงกันนะ่ะวิญญาณทิฏฐิข้อที่หนึ่งก็วิญญ า, ากณากับสัตวว่าด้าวนี่ตรงกันหมดวิญญาณทิฏฐิตรงกันหมดเจ็ดตัวตรงกันหมดเป็นตะเพงวิญญาณทิฏฐินี้ไม่มีคําว่าอาสัญญีสัตว์กับเนวัตัญญานาสัญญายตนะสัตว์ไม่มีเพราะอะไรเพราะมันเป็นดับมันไม่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่มีวิญญาณ มันไม่ได้เรียนวิญญาณทิติมันไม่มีวิญญาณตั้งอยู่ในขณะนั้นในขณะที่เป็นดับเป็นอสัญญาสัตว์เป็นในวัชยานาสัญญาก็คือดับจิตเหมือนกับอุทกดาวบทที่นั่งหลับตาไปดับปีในนั้นเหมือนกันโดยไปเข้าใจผิดว่าในวัชยานาสยญญาเจตนะนั้นเป็นนิโรธเข้าใจอสัญญีก็ว่าเป็นนิโรธซึ่งมันก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีองค์ประชุมอะไร วันไม่มีองค์ประชุมแล้วเรียนในขณะมีวิญญาณทิติมีเห็นวิญญาณตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิน่นอยู่ทั้งหมดเนี่ยแล้วต้องเข้าใจวิญญาณวไม่ใช่เข้าใจวิโมก8ข้อ123ซึ่งเป็นรูปประชานส่วนอีกสข้อหลังในวิโมกอีก4ข้อเป็น7ข้อนะึงอารูปประชานอีก4ข้อส่วนข้อสุดท้ายนั้นสัญญาวเวทิจิตะนิโรธ ว่าในกายทิกายในวิญญาณทิฏฐิเจ็ดมันไม่มีคําว่า ส, สัญญาเวทีจัดนิโรธในสัตวะเก้า 9, ก็ไม่มีคําว่า ส, สัญญาเวทีจะดนิโรธคุณต้องมีความรู้วิโมกขแปดด้วยกายคร บ, ค, รบคุณจึงจะมีสัญญาเวทีจันิโรธสมาธิถิด้วยนะทํำไมสมาธิถิคุณก็ทําสัญญาเวทีจัดนิโรธไม่ได้กายที่สมบูรณ์คุณก็ไม่รู้จักสัญญาที่สมบูรณ์คุณก็ไม่รู้จัก <c oughs> คืออย่าง อย่างกายที่พ่อท่านอธิบายไปตอนต้นๆ น, นะคะนามกายพวกกายพวกนี้เราเสังขารอะไรวิญญาณมันเป็นวิญญาณผีหรือวิญญาณเทวดาเนี่ยเรา เ, เราพอจะแยกออกออในในในจิตของเราใช่เบื้องต้นมันเจะเป็นเทวดาเป็นผีอะไรในเบื้องต้นแต่ว่าที่ฟังพ่อท่านอะ่ะคือคือในบางช่วงเนี่ยเราฟังแล้วเรารู้สึกว่า โอ้ภาษาอะไรไม่รู้มันมากมายเยอะแยะอะไรเงี้ย <laughs> ก็วางไว้ก่อนมลอะลรเงี้ยค่ะ <laughs> ดีแล้วล่ะมันไม่รู้ใครจะปวดหัวก็วางไว้ก็ถูกแล้วถูกต้องกราบขอบพระคุณพ่อท่านมากค่ะอ้าวใครจะว่าง อ, อ, อ, อีกก็สรุปก็ได้จะแสดงความเห็นก็ได้จะถามก็ได้อาาด้าวกราบธรรมสการพ่อท่านคะา่ะอ้าวถ้าไม่ฉวยโอกาสวันวันนี้นะคะ อีกตั้งเดือนหนึ่งเลยค่ะเท่าที่พ่อท่านเปิดโรงเรียนมาะก็เห็นชั่วโมงนี้ค่ะชั่วโมงที่โอ้โหนะคะลูกศิษย์พ่อท่านบรรลูอะไรเน่ะบรลลูสีห์ชนะกันนะคะก็เลยอยากจะบรลลอด้วยบ้างนะก็ลองอยากจะแบบว่าแหวกความความกลัวนะคะค่ะต้องเอาชนะมันให้ได้เลยค่ะความกลัวก็เป็นตัวอสักยะนะคะ ชั่วโมงที่ที่ฟังกับท่านจันนะคะที่พ่อท่านคู่กับท่านจันนะค ะ, ะท่านจะสรุปมาให้หมดเลยตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนชั่วโมงสุดท้ายที่่านก็มีเรื่องข้องใจเยอะแยะมากมายค่ ะ, ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ข, ข, ขอเรียนเรื่องโลกุตลักษ้านะค ะ, ะเรื่องก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าอะไร แต่ไม่เป็นไรนะคะเก็บไว้ก่อนโลกุตรากา้ามีโสดาปฏิมาต์หนึ่งโซดาปฏิผ <1, S 2> ลสองสัจก า, ามีมรักอีกสสัจก า, ามีผล 4, อีกสี่อนาคามีมร 5, ักห้าอนาคามีผลหอรหัตมรักเจดอรหัตผ ล, ล8ปนิพพานอีกหนึ่งเป็น9นี่นคือโลกุตรกขอพระบุญค่ะ แถวนี้นะคะดิฉันจะพูดถึงสภาวะที่ที่ได้ฟังวันนี้นะคะนี่โรดดิฉันตัดออกไปก่อนค่ะยังไม่ถึงค่ะค่ะแต่ว่าถึงตรงที่ว่ากําหนดรู้นะคะอย่างเรื่องกายก็เรื่องสัญญาเนี่ยเริ่มเข้ามาอยู่ในตัวเองแล้วค่ะเราจะกําหนดรู้กายรู้สัญญาตอนที่มันมีผัสสะค่ะยกยกตัวอย่างเลยนะคะวันนี้ได้ยินเสียงค่ะเสียงไปมากระทบหูแล้วเกิดวิญญาณที่จิตนะคะ จิตมันจะแบบมันอยากจะโมโหค่ะมันอยากจะมีอาการอะไรแต่ว่า oh เรารู้เท่าทันความเป็นจริงนะคะ uh huh. ที่ว่าเสียงก็สักแต่ว่าเสียงนะคะ uh huh. เราไปเอาใจเข้าไปผูกไปพันให้เราเกิดความทรมานทำไมเกิดไหวทำไม เราก็คล้ายๆกับเราเริ่มตักกะวิตกกะแล้วใช่ไหมคะท่าใช่ใช่ก็ได้ค่ะคคืออาการอ่อนๆเนี้ยดิฉันเห็นแล้วทีนี้แล้วอ่านใจด้วยไม่ใช่เอาแต่เหตุผลไปล้างไม่เฉยอ่านไปเรื่อยๆค่ะถ้าเหตุผลไปล้างไม่เฉยมันคือตักกะ แต่ถ้าอานาการจริงว่าอ๋อมันไม่เที่ยงอย่างงี้มันเป็นทุกข์อย่างงี้มันไม่เออตอนนี้ตัวตนมันไม่มีนะนี่มันไม่มีตอนนี้ชั่วขณะนี่เราปฏิบัติตัวตนนู้นก็หายอยู่อาการมันหายอย่างนี้มันคือไม่ใช่ตักะนั่นเช่นสภาวะค่ะแล้วภาวะใหม่ที่มันเกิดมามันเริ่มก็สั่งสมความจิตมันเริ่มแน่วขึ้นค่ะแน่วว่าจะไม่ไม่ไม่เป็นอย่างเมื่อตะกี้จนกระทั่งไม่มีวัจจิสังขารเลยค่ะ โอโ้เรียนทำพยายามถามเรื่องนี้ได้บ่อยๆค่ะแต่ก่อนนี้ไม่รู้จักเลยค่ะว่าจีสังขาลาความเคยชินนะคะขอพระคุณค่ะแค่นี้ค่ะครับก็เตรียมใครมีคําถามก็ถามได้นะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนีเ้เรียนอิสระความอิสระไปถึงพวกผู้เรียนแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่ใชเฉพาะผู้ถามนะพราะที่ผ่านมานั้นผมจะทําหน้าที่เป็นผู้ถามแทน คือจริงๆก็ถามด้วยตัวเองแต่เสียงสะท้อนออกมาเยอะๆว่าเออไอที่ถามน่าช่วยถามแทนแทนหลายๆท่านก็ขอบพระคุณนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่า FM จะกลับมาเมื่อไหร่แล้วรายการจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับแต่พอไม่มี FM ฟเีวีนี่ก็ดีอยู่อย่างนะทําให้ได้กลับมาดูรู้ตัวเองว่าไอ้บทบาทที่มาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับได้เป็นอย่างไรแล้วการที่มีการปรับกระบวนการนะครับก็เหมือนเมื่อสักครู่นะครับ ที่บอกว่าวันนี้ครั้งนี้พ่อท่านมาที่นี่แล้วมาอาโศกแล้วนะครับกระบวนการที่ถ้าบัลลาดเขาก็จะได้มีโอกาสได้ซักถามกันกันกันอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ช่วงหลังมาเนี่ยผมก็มักจะเอาคําถามที่มาจากได้การที่ได้เสวนากับพี่ๆน้องๆนะครับกัลยาณมิตรทั้งหลายนี่แหละครับชาวอาโศกก็เก็บมาเป็นประเด็นแล้วก็ช่วยซักถามแทนให้จากการสะท้อนกลับออกมานี่แหละครับจากหลายๆคนว่า ช่วยถามตรงนี้ทำให้เข้าใจมากขึ้นถามตรงนั้นทำให้เข้าใจมากขึ้นหรือสกิดสะเกาอะไรตรงไหนนะครับก็เป็นประเด็นที่เรียกว่ามีการสะท้อนกันออกมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างถ้ามองดูวันนี้สิ่งที่ผมตั้งเปิดหรือจ้างถามพาะครูตั้งตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยนะครับเริ่มมีความลึกมากขึ้นมากขึ้น แต่ถ้าเรามองดูนะครับในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยพ่อท่านได้อธิบายในหมวดหมวดธรรมต่างๆไว้เหมือนแยกส่วนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วช่วงหลังมาพ่อก็เอาแต่ละส่วนมาประกอบประกอบแล้วก็ใส่ใส่ใ ส, ใ ส, ใ ส, ใ ส, ใส่ใส่กันนะครับเหมือนที่ผมอธิบายว่าถ้าเราไปหาหนังสืออ่านเนี่ยนะครับงสือพุทธธรรมก็จะแบ่งออกเป็นบทที่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนั่นมนันเป็นเพียงแค่ภาษาของของอักษรเป็นภาษาหนังสือครับ แต่สภาวะนั้นพ่อครูก็เอาภาษานั้นนะครับเอามาใส่ก็เหมือนที่หลายคนเหมือนหลายท่านที่พูดเหมือนกับผมเหมือนกันแหละอะไรเงี้ยภาษาบาลีบางทีมันก็ยากเนะเนวะสัญญาสัญญายญาณจันนะจินไตอสงไขอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะฮะ บ, บางทีมันยังไปไม่ถึงไม่เป็นไรฟังฟังไปแต่ก็เข้าใจแต่เราอธิบายไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่หน้าที่เรามาเป็นผู้อธิบายพ่อครูเป็นที่อธิบายนะครับพอกลับมาแล้วใครจะถามต่อเชิญเลยครับ ขอการเปลี่ยนพ่อท่านคะ่ะนิโรธกับการนั่งพักนี่นิโรธกับการนั่งพักนี่จะาว่าคล้ายๆกันไหมคะนั่งพักกับนิโรธ ไ, ไม่เหมือนกันนั่งพักมันคือการทำให้เกิดการสบายๆผ่อนคลายไม่ใช่การดับแต่แต่ติดนี่มันหายไปเลยนะค ะ, คะพอตื่นขึ้นมาแล้วมีพลัง ค, ะค่ะคือยังสงสัยอยู่ตอนนั่นแลหนนนและ มันเป็นการทำเจโตสมถะมันเป็นการทำให้จิตสงบมันเป็นสมถะวิธีไม่ใช่วิปัสนาวิธีมันไม่ใช่การกระบวนการของการลดละกิเลสกำจัดกิเลสไม่ใช่กระบวนการการลละัดกิเลสกระบวนการของการลดละกิเลสต้องมีจิตมีตัวเข้าไปพิจารณาอ่านจิตให้แยกตัวกิเลสออกมาเป็นตัวสักกายะ หรือตัวกายกายในวิญญาณทิติในสตวาว่าเก้านั่นแหละต้องรู้ตัวจากกายขององค์ประชุมของตัวตัวตนของกิเลสนะเมื่อคุณไม่ได้พิจารณาโดยกระบวนการนี้แล้วคุณจะบอกว่านันนิโรธนิโรธไม่ได้หรอกพักก็เป็นออแค่สมถะในการระ ง, งับ ส, สงบระ ง, งับพักผ่อนคืออันนี้นะคะฟังพ่อท่านแล้วเนี่ยเออสภาวะ น, นี้นะ แต่ว่าพอตอนท้ายแล้วนี่คือคล้ายๆมันจะเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วก็ทําอย่างที่พ่อท่านบอกนะฮะว่าแยกอะไรแต่อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วมันจะเบาขึ้นเบาขึ้นอ่ะพอเบาขึ้นเบา ข, ขึ้นแล้วมันก็จะหายไปอ่ะ <Baek> พอหายไปแล้วเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มันจะมีพลังค่ะกายมีังสมรนะมีพลังอันนั้นคุณเองคุณพูดไม่ถูกคุณพูดอย่างนั้นคุณเองบอกว่านั่งไปเฉยๆแล้วมันก็จะพักไปไอ้เงี้ยมันสมรรถะแต่คุณเองคุณมีพิจารณาอยู่ด้วย คุณพิจารณาอยู่ด้วยว่าเออรู้ตากระทบรูปก็รู้อ่านเวทนาด้วยอ่านอารมณ์ด้วยอ่านจิตด้วยและคุณก็รู้จากจิตมันเป่ามันปลางมันปล่อยมันอะไรตรงไปแม้แต่เวลามันเป็นตามขั้นตามตอนที่คุณปฏิบัติไปตามลําดับตามลาดับมันเห็นแล้วพอมันรู้แล้วเนี่ยคุณจะไม่ถามมาตมาอย่างเมื่อกี้นี้ถ้ารู้ว่าอ๋อเนี่เราทํามาแล้วเออนี่มันตอนนี้มันทําได้เร็วขึ้นเออตอนนี้เรามานั่งสงบเราก็เห็นรูปอยู่คุณก็จะทวนได้ เห็นรูปอยู่เห็นด้วยตาหูจมูกดินกายอยู่เออเวทนาเราก็รู้อารมณ์เราอยู่จิตราก็รู้อจิตเราอยู่เราไม่มีอาการไม่มีอารมณ์ไม่มีสิ่งที่เป็นอีกกิเละประกอบแต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เป็นตาหเห็นรูปสีแดงก็เห็นแดงเรืองก็เห็นเหลืองเขียวก็เห็นเขียวเป็นของจริงนะกลิ่นก็อย่างงี้เขาเรียกว่าหอมเขาเรียกว่าเหม็นก็อย่างนี้เขชัดเจนทุกอย่างแต่ในอาการของกิเลสอัตสาธะต่างๆหรืออาการของ ตันหาต่างๆราคะต่างๆมันไม่มีมันไม่มีเช่นว่ามันไม่มีกามตัณหาความอยากแรงๆจากข้างนอกนี่เลยมันอยากจะความมันอยากจะเอามาจากจะหยิบมันไม่แรงอย่างนี้แล้วมันก็เลยอยู่ข้างา น, นเล็กๆๆอยู่เป็นรูปเป็นูปะวะตัณหาเป็นรูปของตัณหาเออมันมีอยู่เบา ข้างนอกมันไม่ได้แสดงออกที่จริงเราก็รู้ว่าเราควบคุมมันได้หรือไม่ต้องควบคุมมันอะไรมากมายมันไม่ได้ดิ้นแรงอะไรคุณก็เรารูปข้างในแต่ข้างนอกยังไงคุณก็ไม่ทําคุณไม่ต้องไประงับมันคุณไม่ต้องไปทํำมันมันก็วางแล้วมันก็ปล่อยแล้วมันก็ไม่เอาแล้วแต่ข้างในมันยังมีอาการอยู่นะอาการมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคุณก็จะรู้ว่าคุณยังเหลือส่วนนั้นจงกระทั้งมันเด้มันมีหรือไม่มีว่าอะรูปแล้วตอนนี้ เออต้องดูมันลึกๆระลึกระดีเบาพลิ้วอ๋อมันยังมีอยู่นะบางบางบางเบามันเป็นขั้นปลายอย่างนี้เป็นต้นในขณะตาเขากระทบรูปเขากระทบเสียงอยู่นี่ mm. คุณจะรู้จะเห็นไปเรื่อยๆเลยปฏิบัติแล้วนี่คุณก็จะรู้ว่าเออตอนนี้มันมันไม่มีอาการพวกนี้คุณต้องพิจารณาทั้งกายเวทนาจิตทมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้เลยว่ากระบวนการของจิตของคุณน่ะ มันไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมสังขารอืยาาปรางละเอียดที่เราไปอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ว่าตั้งแต่ภายนอกเข้าไปถึงภายใน <c oughs> อ้าวเหลืออีกแปนาทีถ้ามีใครอ้าว<อ>สมณะอ า, บาอบังพอดันครับสนใยเรื่องง่ายๆนะครับอ๋อดี <c oughs> สนใจเรื่องง่ายๆก็ดีจะได้ตอบง่ายๆคือ บุญกิริยาวัตถุนะครับบุญกิริยาวัตถุตที่ท่านพูดถึงทานศีลแล้วก็ภาวน า, านอืทานนอกถ้าถ้าสัมมาทิฏฐินี่ก็คือก็ล้างจิตอยู่แล้วอืใช่ศีลศีลก็ที่เป็นกุศลก็ยังอรหันตผลให้เกิดขึ้นโดยระดับอยู่แล้วแล้วทําไมท่านจะต้องมีภาวนาขึ้นมาอีกข้อหนึ่งถ้าการทำให้เกิดผลย้าขึ้นไปอ้อคําว่าให้เกิดผลปภาษาไทยนั่นแหละคือภาวนาแต่คุณจะเดินอยู่คุณก็ทําอยู่ เมื่อทำอยู่ยังไม่เกิดผลมันก็ยังไม่ถึงภาวนาภาวนาเป็นตัวเป็นตัวผลเป็นตัวตอบคือสงสัยว่าก็เมื่อปฏิบัติทานปฏิบัติศีลเกิดผลก็ไปภาวนาไงภาวนามันมาเพียนจนกระทั่งทุกวันนี้ในกาลแปลว่าภาวนาคือการปฏิบัติจริงๆมันเป็นผลภาวนาคือการเกิดผลคือการเจริญแล้วแต่เสร็จแล้วก็มาแปลกันเพีย้ยนไงนอ สามอันเนี้ยทานศีลภาวนาภาวนาเป็นผลของการปฏิบัติทานการปฏิบัติศีลหรือทิ้นั่งผลที่ปฏิบัติทานแล้วมีผลก็เป็นภาวนาคือหูตังตัวได้ผลหรือยิดถังการปฏิบัติมีพิธีปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็เกิดหูตังเกิดผลหูตังคือการที่ ทำแล้วปฏิบัติแล้วส่องเวทที่บูชาแล้วสิ่งที่ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วจึงเกิดผล น, นั้นขึ้นแล้วก็อ่านผลเห็นผลเรียกว่าหุ่ตังคือมีผลแล้วเห็นอ่านผลได้แล้วเพราะนะั้นทานละไม่ก็ดีศีลละไม้ก็ดีถ้ามาปฏิบัติถึงขั้นสมาธิทิจิตเจตสิกไม่ได้ล้างไมไ่ละละกิเลสเลยอย่างที่อธิบายแล้วอธิบายอีกทานแต่ทาจิต ตัวเองมณสิกโรติมณสิการจิตตัวเองให้มันเป็นความโลภอยากได้นนทได้นี่ตอบแทนเป็นมนโนกรรมแท้ๆเลยเกิดอยู่ข้างในจิตคุณก็ไม่ได้ล้างความโลภคุณทานให้วัตถุให้ของปากพูดทานอ่อิมินาอะไรอยู่ตัวเสร็จแล้วคุณก็ปากก็ให้ทานของก็ให้ไปแต่ใจคุณโลภจัดขึ้นกวาเก่า แล้วมันจะเกิดผลตรงไหนล่ะมันไม่มีทานอมันก็นัตทิทินัง<ม>การทานที่ทําทานแล้วอันนี้ทานให้ตายแล้วขนาดไหนคุณก็ยังไม่ได้ล้างไม่ได้มีผลเล ย, เลยอัตทิทินังไม่มีอย่างนี้เป็นต้นคือกําลังจะสื่อว่าถ้าทานศีลมันก็จบโดยตัวมันเองแล้วไม่จบสิถ้าจบนั่นแหละก็คําตอบคือภาวนา ค, คือการเกิดผลแล้วก็ต้องให้ตรวจผลตรวจผลตรวจแล้วตรวจอีกนะ ภาวนานี่ตัวแล้วตัวอีกอาเสวนาภาวนาพระหุลิกมังไงเสวนาคือกาทําซ้ําทําคุณทําเคยภาวนาก็ที่มันเกิดผลแล้วนี่แหละตัวผลมันผลอย่างเก่าไหมผลยืนยันไหมพระหุริกมังทําให้มากมากมากมากไงนี่คือภาวนาก็ต้องมีไงภาวนาคือการทําได้ผลแล้วแล้วคุณก็ไปทำซ้ําแล้วก็ทําตรวจสอบรักษาผลมากให้มากให้มากมากพระหุริกมังนี่คือคําสอนของพระเจ้า ทำไมไม่ต้องมีภาวนาละการเกิดพ้นแล้วก็ต้องทําผมต่อเลยนะครับเอาเลยคือผมสนใจเรื่องอ่าผมสมลาเสียงศีลชาติวโรนะครับคือผมสนใจเรื่องเรื่องความยึดถือและการปล่อยวางเนี่ยนะครับโอ้โหนี่เรื่องสําคัญมากโอ้ยแต่สคัญที่มันยิ่งใหญ่แล้วยึดถือปล่อยวางนี่แล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกที่แก้ได้ยากนะมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคุยๆนะครับพูดจบแล้วมันพุกหายเลยมันก็ดีนะทีนี้ เ, เมื่อกี้ที่ป้ต้อยถามนะครับผมผมผมยังสงสัยว่าคือการวิธีการแก้ทุกจากการยึดถือหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะพอยึดเข้าไปปุ๊บอะไรที่มันไม่ได้อย่างใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดทุกทันทีนะฮะพอทุกทีนี้เราจะให้มันคลายจากทุกเนี่ยผมยังไม่เห็นพ่อท่านพูดถึงวิธีการว่าอ อ, อย่างเช่นพอไปยึดมันเราก็ทําไมถึงไม่หาวิธีแก้อย่างเช่นเอา อ, อย่างเรื่องลดลดอาหารเนี่ยนะ ทำไมว่าเห็นเป็นอสุภะหรือไม่เห็นเป็นความจริงตามความเป็นจริงเรามายึดเรามาติดอะไรกันมันก็เ ป, เปรี้ยก็มีแค่รสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็มเป็นเรื่องของธรรมดาอะไรต่างๆเหล่าเนี้ ม, มันก็ทําใหว้วิธีเหล่านี้มันก็วิธีการที่ทําให้มันละลดละไหนคลายไปอย่างหนึง่งใช่ไหมครับอันนี้คื อ, ค, อคือเรื่องของรสนะครับทีนไม่ให้เกิดยานปัญญาอย่างหนึ่งว่าของจริงมันคืออะไรของที่มันแฝงของที่มันเกิดตัวที่เราจะต้องล้างตัวนั้นอะไรของจริงไม่ล้างไม่ได้หรอกของจริงเหมือนกัน ไอ้คนปฏิบัติทําให้ปฏิบัติทำเห็นไอ้นี่มันก็ขาวงี้ไอ้นี่มันก็เขียวงี้เหมือนกันหมดนั่นแหละ <c oughs> นั่นคือของจริงะนะแต่ไอ้ของไม่จริงก็คือไอ้ตัวอุปทานไอ้ตัวกิเลสไอ้ตัวอะไรอารมณ์ที่มันเป็นเป็นอ ส, สาทะที่เราได้เอาหน <ะ S 2> แหละคนจะต้องล้างตัวนั้นอือแล้วแล้วล ว, วิธีการที่ดูความจริงตามความเป็นจริงอันนี้เป็นตัวช่วยช่วยให้ล้างไหมครับอเห็นความจริงตามความเป็นจริงคนจะต้องเห็นทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงก็คือธรรมชาติจริงสิ่งที่เป็นกิเลสก็กิเลสจริง สิ่งที่กิเลสมันละก็ละจริงก็เห็นความจริงของมันจางคลายเห็นความจริงของมันนิโรธเห็นความจริงของมันหมดด้วยอเห็นทั้งโลกุตตระเห็นทั้งโลกียะรู้หมดเลยทั้งสามสิบมโนปวิจาณสิบแปดตาหูจมูกลิการกระทบอะไรอยู่ก็รู้เลยเนี่ยนี่นะโลกเขาก็รู้ใครก็รู้เคาทุกคนก็ ร, รู้รู้เหมือนกันแต่ไอ้ที่รู้อีกอันหนึ่งก็คือไอ้ส่วนที่มันเนคขมมะไอ้ส่วนที่มันเป็นกิเลสแล้วก็ทํากิเลสออกคุณก็รู้ว่ามันทบกิเลสได้ทํากิเลสออกก็รู้ด้วย ไอ้ของอันนี้ธรรมชาติกับโลกก็รู้กับเขาครับทีนี้เราจะรู้ว่าเราลดละไม่คลายรู้ยังไงครับรู้ตรงไหนรู้ตรงกิเลสเรามันต้องอ่านกิเลสออกแยกกิเลสได้ถ้าแยกตัวกิเลสไม่ออกเลยครับสักกายแยตัวแรกคงก็ยังไม่รู้เดี๋ยเราจะรู้ว่าเอออันนี้ปกติถ้าเราไม่กินิดใจมันจะรู้สึกห่ยหาต้องการใช่ไหมพอเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็รู้และเข้าใจแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหเห็นไม่ได้เลยอดไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่พอเรารู้สึก เข้าใจมันปุ๊บมันก็เพียรพยายามมาหลายหลครั้งหนาเข้ากินหรือไม่กินก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ถือว่าเราลดละในใครไหมครับบันได้เป็นการได้ที่ยังไม่ชัดเจนในกายไม่ชัดเจนในกายอย่างวิโมุกแปดต้องสัมผัสวิโมุกแปดด้วยกายเพราะพุทธเจ้าถึงจะรับรองเป็นอรหันต์ต้องให้คุณเหมือนเป็นพระอรหัน์เลยนะมีกายยศขีไมายข้ามาเป็นมีพยานหลักฐานเลว่าโอ้โหเห็นได้ด้วยเลยสัมผัสได้กายนี่คือองค์ประชุมที่สัมผัสได้ ถ้าไม่มีองค์ประชุมที่สัมผัสได้ไม่ได้กายสักอย่างกายนีนจะต้องสัมผัสได้เพราะฉะนั้นใครสัมผัสได้หยาบข้างนอกก็นอกแต่ใครสัมผัสได้ข้างในเป็นนามะกายคุณก็ต mm. ้องรู้ของนามะกายต้องรู้เขาตนเองนะแต่ข้างนอกคุณจะรู้แต่ข้างนอกเพราะการจะรู้กายจะสักขีนรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายก็แต่ข้างนอกแต่เราต้องรู้กายในเป็นนามะนามะกายด้วยนะเป็นนามะกายด้วย เป็นกายะวิญญาณเลยต้องรู้องค์ประชุมของวิญญาณเลยแล้วก็แยกวิญญาณธาตรู้นี่ออกในขณะที่มันกระทบตาหูจมูกนิ้่กายกระทบอยู่เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยสามพรษาสามตากระทบรูปรักวิญญาณเกิดนี่คือวิญญาณตัวที่จะต้องเรียนรู้เป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ใจะไป็นวิญญาณทุ่นตายแล้ววิญญาณล่องลอยวิญญาณไปไหนไ ๆ, ๆ, ๆ, ๆอย่างนั้นท่านก็นบริภารภิกษุสาติอยู่แล้วอ่ะเราไม่เคยสอนอย่างนี้เธอเธออย่ามาขุดอะไร ตั้งกว่าไปอาล้วครับอันนั้นผมเข้าใจแล้วฮะทีนี้เรื่องยากกว่านี้อีกคือในเรื่องของความยึดถือในเรื่องของอารมณ์เนี่ยนะครับสมมติเราไม่ได้อย่างใจหรือถูกขัดใจหรือว่าถูกเราทําอะไรอย่างหนึง่งแล้วถูกเกิดการเปลี่ยนแปลงนะจนเรารู้สึกเหมือนกับมีความไม่ชอบใจความไม่ชอบใจแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าสมมติเราจะล้างสิ่งเหล่านี้นะฮะด้วยการพิจารณาว่าเอออันนี้มันเป็นวิกฤตนะเราต้องทําให้เป็นโอกาส หมันจะได้เกิดกำลัเป็นเหตุการณ์จริงรที่คุณจะต้องรู้ใจตัวเอง ห, งหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันจะได้เกิดกําลังใจว่าเออเราเจอโจทรแล้วนะเจอโจรต้องเจอทุกนะและ<ช>้วจะแก้ทุกนี้่ยงไงได้ไไดยังไงทีนี้วิธีจะแก้ทุกได้เนี่ยก็คือเราก็ต้องมาหาเหตุผลว่าเออมันทุกยังไงบางทีเราอาจจะไม่ใช่หาเหตุผลไม่ช่หาความจริงเดี๋ยวครับคืออ่านความจริงนะครับแต่มันก็ต้องรู้ว่ามันทุกแล้วใช่ไหมฮะคนเราพอทุกปุ๊บมันก็ต้องหาวิธีแก้ทุกถูกไหมฮะ เออเราทุกเพราะหนึ่งเราโง่สองเราไม่มองอให้มันเป็นบวกเราไปมองแต่ลบใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องมาคิดทีว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปับย๊บเนี่ยเป็นเรื่องดีนะสมมติเราเคยทํางานนี้อยูอ่มีคนอื่นมาทําแทนหรือมาเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยเอาไปทําอย่างเงี้ยนะผมก็เลยคิดว่าเอออย่างเงี้นะดีฮะเราจะได้เบาเราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระอันนั้นใช่ไหมฮะคือถ้าพอคิดงี้ได้ปุ๊บจิตที่มันยึดถือเนี่ยมันโล่ง มันก็เลยไม่ถือสามันก็ปล่อยวางอันนี้อันนี้เมื่อกี้พ่อท่านบอกว่ามันคือแค่ตรากะวิตรากะใช่อันนี้ไม่ใช่ปัญญาหรือครับไม่ใช่หรอครนั่นคือสมถะเอาเหตุผลมามาบรรเทาเอาเหตุผลมาบรรเทาคุณต้องเห็นจิตเจตสิกแล้วก็เข้าใจเจตสิกหลักใหญ่ทุกมันก็คือมันไม่เที่ยงมันมันเป็นเหตุแห่งทุกข์สามันไม่ใช่ตัวจริงแล้วมันก็คล้ายตัวจริงมันจึเป็นตัวจริงมันเป็นอาการเป็นอารมณ์ จงคุณจะเกิดยานปัญญาจริงๆแล้วโอ้เรามายึดมันเองอย่างนี้ <S <S มันยึดว่าอาการอย่างนี้จะต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ไอ้ตัวที่จะยึดอยู่เนี่ยคืออุปทานต้องได้อย่างนี้ทําไมคนมันมาแย้งเราคนมันมาเอามันทําไมไม่ให้เราต้องเราต้องนี้มันจัดการมาขัดแย้งเราอะไรต่างๆคุณต้องอ่านจิตของคุณจนกระทั่งจิตของคุณตัวที่มันยึดแค่นั้นน่ยคลายมันไม่จะไปอธิบายว่าเอ อ, เ, อเหตุผล ร, บรอบๆเลยว่าโอ้เข้ามาช่วยเรามันก็เบาเนาะมันก็ ไอ้เหตุผลเนมันทำให้มันคลายเฉยๆแต่มันไม่ได้เห็นจิตในจิตเห็นชัดเจนไม่ตรงที่ว่าไม่เห็นจิตในจิตเนี่ยทีนี้เห็นจิตในจิตคือแล้วก็มะพิจารณาตามด่วนอนิยสัตสีเลยจะน้อยทุกครั้งนะตาสิ่งที่เราทุกอยู่ทุกนั้นก็รู้สึกว่าเออแต่ก่อนเราเห็นหน้าคนนี้เราเราไม่อยากเจอเลยใช่ไห้งรับได้โดยวิธีพน้าโดยสมถะวิธีจนกระทั่งเราสามารถที่จะมีความรู้สึกว่าโอ้ที่จริงเนี่ยเขาช่วยเรานะ แล้วจิตมันคลายหมดเลยนั่คือเหตุผลครับจย่งนยังเป็นเหตุผลอยู่ล่ะใช่เป็นเหตุผลช่วยเป็นเหตุผลช่วยแต่มันกรแต่มันก็ช่วยให้คลายทุกข์ได้คลายได้ครับแต่มันไม่ถ้าวอนร้าวอนก็ต้องเห็นจิตคลายนี้เพราะอะไรเพราะอ๋อจริงๆไม่ใช่เพราะเป็นเหตุผลว่าเข้ามาช่วยเราเอ้ามันไม่เกี่ยวจิตของคุณนี่เห็นด้วยปัญญายาณว่านี่เราเองเรายึดมั่นถือมั่นเรายึดอะไรเรายึดว่ัจนเราได้เป็นเราได้เป็นของเราทําไมมาขัดขวางเราามเรามีตัวตนของเราอย่างย่งี้ ต้รู้ตัวตนของจิตของเราที่มันยึดยึดอย่างไรครับตัวนี้ก็รู้อยู่ฮะมันก็ช่วยให้ย่น้อยความยึดมันได้คลายลงไปอ่าก็ต้องรู้ว่าจิตมันยึดนั่นเพราะหาชายลงไปเพราะปัญญาไม่ใช่เพราะเหตุผลคนันตตะ ก, กะไอนี่ปัญญามันคลายเพราะมันยอมจำนวนในหลักของไตรลักษณ์ในหลักของมันไม่เที่ยงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้ามันยึดอยู่อย่างนี้มันทุกข์แล้วมันก็เห็นตัวอัตตานี่มันละลายมันอาจารย์คลายไปจริงๆ อันนี้คือเห็นความจริงตามความเป็นจริงครับแต่จะเห็นความจริงตามความเป็นจริงกันเนี่ยมันก็ต้องมีมีเหตุผลมาช่วยที่จะทําให้ให้จิตมันคลายอยู่ตั้งเห็นว่าไอ้จิตที่เราคือยึดถืออยู่เนี่ยมันคลายแล้วก็เห็นความเป็นอนิจจังเป็นเหตุผลห้อมล้อมได้ครับเป็นเหตุผลห้อมล้อมได้เป็นความเฉลียวฉลาดประกอบมาช่วยสนับสนุนได้เป็นอุปการะคือสมถะนี่เป็นอุปการะแต่จริงๆแล้วคุณต้องเห็นความจริงลึกเข้าไปเลยว่าความฉลาดของคุณจะต้องมียานขนาดหนัก เห็นจริงๆเลยว่าถ้าเข้าใจวิปัสนาญาณเก้าในไม่รู้จักอาการของอุทธพยานุิปัสนาญาณจนกระทั่งพยัตูปัทานญาณอาทินวานุปัสนาญาณนิพพยานมุจจตุกมมะเจตญาณญาณที่มันวางมันปล่อยออกไปจริงๆเลยเห็นอาการมันวางมันปล่อยโดยเห็นจิตเจตสิกมันคลายลงไปด้วยญาณญาณปัญญาจริงๆมันคลายถ้าไม่เห็นอย่างนั้นไม่ถึงของจริงไม่เป็นวิปัสนาเป็นแค่สมถะ ผมเพิ่งเข้าใจได้ว่ามันมีความแตกต่างมีความลึกลงไปอีกพอเห็นความแตกต่างไหมเขียนครับเออข้าขอบขอบขอบคุณเพ่อท่านมากเลยครับเอาละเวลาหมดสรุปเลยจบเลยเวลาไปหน่อยนึงละสรุปง่ายๆครับเวลาหลายๆท่านถามนะครับลองตั้งใจฟังคําถามของหลายๆท่านเพราะยิ่งมีคนช่วยกันถามปัญญายิ่งเกิดมากขึ้นเพราะทุก ท่านถามด้วยสภาวะและความเป็นไปทําให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้อื่นได้มากขึ้นวันนี้ผมได้เรียนรู้จากพวก ท, ท, ท, ท่านทั้งหลายนะครับมากยิ่งยิ่งขึ้นจากพวอครูอีกด้วยเสริมไปผมคิดว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็กล่าวขอบพระคุณพวอครูในโอกาสนี้นะครับผมต้องกล่าวขอบพระคุณทุกท่านด้วยที่ช่วยกันตั้งคําถามให้เกิดปัญญาณเวทีการเรียนรู้ทำแห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับนะครับกล่าวลาไปก่อนครับ จะเรียนทำครับ ไม่ไม่ไม่